ยังไงมามายังไงมาทางน้ำหรือมาทางรถนดี๋นี่มีเรือนั่งข้ามอ่าวไมหเลยอ่อไกลนะขับจากบ้านไปโหยหินอีกไกลนอฮ ะ, อ ะ, อะน้อยกว่ารูกข้า <c oughs> ไม่คุ้มนะถ้านั่งเรือ นี่มีเรือข้ามหัวหินพัทยาใช้เวลาชั่วโมงหนะึ่งประหยัดเวลาถ้าถ้าไม่อยากจะขับอ้อมจากหัวหินมาที่นี่อาจารย์มีอะไรจะสเสนอไหมวันนี้คื <c oughs> อเวลาฟังเทศที่ท่านสอ น, นนะครับ หรืออ่านนังสือธรรมะเนี่ยแล้จิตเราก็สงบ<ม>นั่งสมาธิก็จิตสงบ<ม>แต่ว่าพอมันมีเรื่องอะไร<ม>ที่มันเข้ามาแล้วเราจะไม่สมมงบแล้วเราจะทำยังไงเราไม่ได้ใช้ปัญญาโดยใช้สติในตอนนั้นเราปล่อยใจให้ปรุงแต่งไปกับเรื่องราวเช่นมีเรื่องอไรเข้ามาเราก็คิดไปกับเรื่องนั้น แต่เราคิดไปในทางอาวิชชาปัจญาสังขาราคิดไปในทางอนิจจังสุขขังอัตตาเราไม่คิดไปในทางธรรมะคือทางอนิจจังทุกขังอนตัตตาถ้าเราคิดไปในทางอนิจจังทุกขังอนตัตตามันก็จะเป็นปัญญามันก็จะไม่วุ่นวายมันก็จะปล่อยวางเหตุการณ์ต่างๆได้เราต้องมาฝึกคิดในทางอนิจจังทุกขังนอนัตตากัน เวลเราไม่ได้อยู่ในสมาธิเวลาเราอ่านหนังสือธรรมะเราก็คิดไปในทางธรรมะไปทางอนิจจังทุกขังอนัตตาใช่ั้มเพราะธรรมะนี้เป็นเรื่องของอนิจจังทุกขังอนัตตาเราใจเราก็ไม่ฟุ้งซ่านวุ่นวายแต่ถ้าเราไปอ่านข่าวอ่านการบ้านการเมืองนี่มันไปทางกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆมันก็เลยทําให้ใจวุ่นวายขึ้นมาแล้ว ต้องใช้สติใช้ปัญญาเวลาที่เราไม่ได้อยู่ในสมาธิเวลาเวลาอยู่ในการก็ตรงกับที่ท่านสอนว่าไอ้สัญญาเราเนี่ยตีคนทั่วไปมันจะไปปรุงในธรามนองในสุขขังนิจจังตะเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติก็ควรจะเปลี่ยนในโปรแกรมในสัญญาใหม่อว่าให้คิดเป็นเรื่องอันิจ้จานทุกกางนะการพอมากระทบก็ึงเดิมมาใช้เลยใช่เอามาเอามาหยุด ใความทุกอย่างมันก็เป็นอย่างนี้จะไปให้มันเป็นกแบบได้ยังไงทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับมาแล้วก็ไปแต่เรามากจะมาแล้วไม่อยากให้มันไปหรือมาแล้วอยากให้มันไปเพราะเราไม่ชอบมันแต่มันยังไม่ไปมันต้องเห็นรู้ทันว่าสิ่งต่างๆมันมามันไปของมันเองมีเหตุมีปัจจัยของมันที่จะทำให้มันมาที่จะทำให้มันไปบางอย่าง ถ้าอย่างที่เราชอบเราก็อยากให้มันไม่ไปเลยแต่มันก็ต้องไปไอ้อย่างที่ไม่ชอบก็อยากให้มันไปเลยแต่มันก็ยังไม่ไปก็ต้องอยู่กับมันไปอันน้นถ้ามันยังไม่ไปก็ต้องอยู่กับมันไปถ้ามันไปก็ต้องปล่อยมันไปคือเพืไม่ให้ยึดติดกับสิ่งต่างๆทั้งดึงไว้หรือไล่ไปขับไล่ไปก็เหมือนยึดอย่างหนึ่งคือไม่ปล่อยเขาตามธรรมชาติ ชอบไปจัดการกับเขาชอบให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เขาเป็นอย่างนี้ก็อยากจะให้เขาเป็นอย่างนั้นพ อ, อไม่เป็นอย่างนั้นก็โกรธก็โกรธบ้างเสียใจบ้างวุ่นวายใจบ้างเพราะเราไม่คิดไปในทางนิจังทุกขังอนัตตาถ้าเราคิดว่าเป็นอนัตตาคือเราไปจัดการเขาไม่ได้จะให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่ได้ บางทีก็ได้แต่บางทีมันไม่ได้ถ้าไม่ได้ก็ต้องก็ต้องต้องไม่ได้ก็ปล่อยไปอาจารย์ น, <c oughs> เนะเวลาเราอ่านหนังสือที่เขาบอกว่าน้ำม า, ารคาเนี่ยมันก็มีสีตัวทีนี้คำว่าเวทนาเนี่ยก็แปลวา่าคนเราเราจะติดในความสุขในความพึงพอใจ ในเวทนาใช่ไหมครับขณะเดียวกันในทางตรงข้ามคือเราอยากปฏิเสธความความไม่พอใจอก็คือความทุกข์หรือความที่ไม่เพลิดเพลินไม่สวยงามแต่ว่าเราติดตัวเวทนาอมันก็มันก็ติดมันเป็นพวงรูปเสียงกลิ่นโนลนผลมันมาเป็นสี่ตัวห้าตัวอคือรูปมันมาด้วยกันเห็นรูปได้ยินเสียงแล้วมันก็เกิด เวทนาเกิดสังขันปรุงแต่งไปพร้อมๆสญญารยาเลยไปพร้อมๆกันหมด่นี้่อาวุธที่จะมาคอยทําลายอุปทานขาันเนี่ย<อ>ก็คือตัวตายลัก อ, อันนี้คือเป็นอาวุธสําคัญที่สุาตายลักแล้วก็อสุภะ<อ>ความจริง ต, ตายลักมันก็มีอสุภะแต่แล้วเช่นความตายนี้ก็อสุภะแล้วมันก็ตายลักอ่ะตายลักเนี่แหละคือให้หยุดพิจารณาไปทีละอัน เช่นเวทนาก็พิจารณาไม่ง ไ, งไม่คือเวทนาสัญญาสังขารมันเป็นทีมงานแล้วตัวที่เป็นปัญหาก็ที่เมื่อกี้พูดะตัวสัญญาเพราะมันยังเห็นเป็นนิจจังสุขขังอัตตาอยู่เราก็ต้องเปลี่ยนตัวสัญญาให้เห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขงังอนัตตา เอาจตัวอื่นมันตัวอ่นมันเป็นตัวที่เป็ น, ต, ต, ปนตัวตามอ ม, มันเกิดขึ้นมาจากสัญญาตัวเดียวสัญญาไปไปเห็นแล้วก็เกิดสังขารขึ้นมาสัญญาอยากสัญญาบอกมันมันของเราอของเรามันก็ต้องดีมันก็ต้องอยู่กับเราเป็นของคนอื่นไม่ได้สังขารมันก็ต้องคิดอย่างนี้ เราินอย่างนี้เวลามันไม่เป็นมันก็ทุกข์ขึ้นมาอที่ท่านอาจารย์เวลาปฏิบัติเนี่ยนะครับมันรู้ทุกคนจะเห็นว่าเป็นของเราอก็ต้องคอยเตือนนะคอยสอนใจออกมาก็ต้องบอกว่าไม่มีอะไรเป็นของเราไม่มีอะไรเป็นของเราท่องไปเรื่อยๆคือเปลี่ยนโภแพใอหัว อ, อก็ด้วยการพิจารณาการดับของสภาวธรรมทั้งปวง ต้องร ใ, ให้พิจารณาจากสภาวะธรรมอทุกอย่างที่เกิดดับนั่นแหละทุกอย่างมันมีต้องมันต้องดับมีอะไรทั้งหลายมันดับหมดนะมป็นระดับช้าระดับเรนะ็วร่างกายนี้ก็ดับอร่างกายคนอื่นก็ดับะของความโกรธก็ดับอันนั้นไม่ต้องไปสนใจมันนะเพราะมันมันเป็นมันเป็นตัวเขาเรียกว่าตัวที่อมันลึกเข้าไปเอาตัวที่มันอยู่ข้างหน้าดีกว่า ตัวที่อยู่ข้างหน้าคือสิ่งที่เราเห็นด้วยตาหูจมูกลิ้นกายหรือสิ่งที่เราคิดเนี่ยมันเอาแค่นี้ก่อนสิ่งที่เราคิดอมันก็ดับอบางทีเราคิดคิดวิตกกังวลต่างๆเดี๋ยวมันก็ดับไปอรอรม่ว่าถ้าทางที่ดีเราไม่ต้องคิดก็ได้ยิ่งดีใหญ่เพราะเราความคิดนี้เราเราแก้ได้ความความคิด สังขารสัญญานี้เราแก้ได้มันกาลังคิดไปในทางผิดเราคิดให้มันไปในทางถูกได้จะเรียกสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปรนี่คือสัญญาสังขารเนี่ยความเห็นก็คือสัญญาความดาเร็กก็คือสังขารแล้วมันจะเห็นว่าในที่สุดมันก็ต้องเป็นกระบวนการตามธรรมชาติใช่ไหมครับไอ้ขันเนี่ยคือมันธรรมชาติอยู่แล้วแต่เราไม่มองมันเป็นธรรมชาติเอง คือของที่เราไปยุ่งเกี่ยวด้วยมันเป็นธรรมชาติแต่เราไปไปไปอยากให้มันไม่เป็นธรรมชาติอยากให้เป็นของเราอะไรนมันเป็นของธรรมชาติทุกอย่างมันเป็นของธรรมชาติอยู่แล้วแต่เราไปอยากให้มันเป็นของเราเห็นไหมที่ดินมันเป็นของใครเราไปเราไปบอกเป็นของเราอีกคนก็บอกเป็นของเรามันก็เลยมาตตีกันมาฆ่ากันก็เท่าเห็นไหมเขมร เขาพราวิหาเนี่ยมันเป็นของไทยมันมันไม่ได้เป็นของไทยมาตั้งแต่โลกนี้มันก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาแต่พอคนไทยมามาก็ปักทงบอกเป็นของไทยเอะอเบญจก็บอกปากทงว่าเป็นของมัน เ, เดี๋ยวต่อไปโลกพระจันท ร, ร์มันก็ไปตีกันบนโลกพระจันท ร, ร์เองใช่ไหมสารัสส่งคนขึ้นไปโลกพระจันท ร, ร์ก็อาทงไปปักไว้ก่อนแล้วอันนี้เป็นของเขา่เนอะตามหลักศากลก็ถือว่าใครไปก่อนเอ ใครไปปักธงไว้ก่อนเขาก็เป็นของของเขาแล้วแหละรั้วโลกเนนือเนี่ยตอนเนี้ยเขาก็ไปปักธงกันอย่างนี้หิมะมันเริ่มละลายแล้วคนเริ่มไปตั้งฐานถิ่นได้เดี๋ยวมันก็ไปตีกันตรงนั้นอีกเพราะว่ามันมันมันไม่ปล่อยให้เป็นธรรมชาติมันไม่เป็นของใครให้เป็นของทุกคนสิใครมาใครก็แบ่งกันใช้ไปอยู่กันไปใช่ไหม ม, มันไม่ได้มันต้องเป็นของเราขึ้นมา มันก็เลยทำให้เกิดสังขารขึ้นมาสังขารคือว่าใครใายใครมาขายมาอะไรไม่ได้เป็นของเราแล้วมันถึงเกิดความโกรธความเะไรต่างๆขึ้นมาความโกรธความโลภนีน่นเกิดจากความหลงเนี่ยความหลงที่ไม่เห็นว่าของทุกอย่างมันไม่ได้เป็นของเรามันเป็นของธรรมชาตใิในคำสอนที่ท่านอาจารย์เทศสอนส่วนมากท่านจะสอนเรื่อง มันจะมีความโหลงกับมีคําแต่ความทยานอยากของจิตไอ้ความทยานอยากของจิตเนี่ยมันก็คือเกิดตัณหาเกิดความอยากความคือก็คือตัณหาซึ่งตัณหามันจะเกิดตามตามทวารทั้งอูตาระจมูกลิ้นกายใจเวลามันไปกระทบของภายนอกใช่ไหมครับแล้วเวลาผู้ปฏิบัติจะต้องสังเกตตอนกระทบอะย่างนี้ครับมันไม่ต้องสังเกตถ้าปฏิบัติไปมันจะเห็นโดยอัตโนมัติ คือตอนนี้เรายังไม่ได้ปฏิบัติใจเราไม่ได้ไปอยู่ตรงจุดที่เราจะเห็นสิ่งเหล่านี้ได้โดยอัตโนมัติเราเห็นด้วยความคิดปรุงแต่งอย่างตอนนี้เราเห็นด้วยความคิดปรุงแต่งคุยกันอยู่อย่างเงี้ยแต่ถ้าเราปฏิบัติจิตเราเข้าไปสู่อัปปนาสมาธิมันจะเข้าไปตรงจุดที่ของเหล่านี้เกิดขึ้นความทยานอยากความหลงผิดอะไรต่างๆมันจะเกิดขึ้นในจิต แล้วเราก็จะเห็นอาการของจิตที่สายไปสายมากับการเคลื่อนไหวของของตัณหาความทะย า, ยานอยากแล้วเราก็จะรู้ว่ามันทุกข์แล้วเราก็จะได้หยุดมันแต่ตอนนี้เราไม่เห็นตอนนี้เราทุกข์แต่เราไม่เห็นเพราะถ้าเห็นแต่เรารู้ว่าเราไม่สบายใจและแต่เราไม่รู้ว่าความไม่สบายใจนี้มันเกิดจากความอยากของเรา เรากลับไปโทษคนที่ทำให้เราไม่สบายใจพูดไม่ดีหนีย่ยใช่ไหมหรือไม่ทำที่เราสั่งเนี่ยใช่ไหมเราก็เลยไม่พอใจไม่สบายใจโกรธบ้างเสียใจบ้างน้อยใจบ้างก็คือความทุกข์นี่ก็เกิดจากความอยากของเราอยากให้เขาทำตามที่เราสั่งเขาก็ไม่ทำตามที่เราสั่งเราก็ไม่พอใจ เรา อ, อยากจะได้แล้วไม่ได้ก็เสียใจแต่เราไม่เห็นเพราะเราไปเห็นเราไปมองที่สิ่งที่เราอยากได้เสียแล้วเราก็ไปโทษสิ่งที่เราอยากได้ว่ามันทำให้เราไม่สบายใจแต่ถ้าเรามาฝึกสมาธิดึงใจกลับเข้าข้างในใจสงบใจออกจากทุกสิ่งทุกอย่างแล้วใจกลับสงบสบายมีความสุข แล้วทีนี้พอใจออกไปดูหรือไปเกี่ยวข้องกับของนอกใจใจก็จะดูที่ตรงนี้เป็นหลักดูว่ามันยังสงบเหมือนเดิมมอเปล่าถ้ามันเริ่มกระเพื่มรู้ก็ก็รู้แล้วว่าใจกําลังคิดอะไรอยู่ที่ไม่ดีก็ก็เห็นชัดๆก็เพราะว่าอยากจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ขึ้นมาก็หยุดตัวนี้เสียหยุดตัวที่มันทําให้ใจกระเพื่อม พอหยุดความอยากแล้วใจก็สงบมีความสุขโดยที่ไม่ต้องไปมีอะไรไม่ต้องให้ใครเขาทำอะไรให้เราที่เราให้เขาอยากให้เขาทํานู่นทํานี่เราเพราะเราคิดว่าทำแล้วจะให้เรามีความสุขเนี่ยที่มันมีความสุขก็เพราะว่าใจเราไม่สบายแล้วเพราะเกิดความอยากขึ้นมาแล้วแล้วไปแก้ผิดที่แทนที่จะหยุดความอยากของเราเรากลับไปให้เขาทําตามที่เราอยากได้ พอเราเขาทำตามที่เราอยากได้ความอยากที่เราที่ทำให้ใจเราก็เพื่อนมันก็หยุดชั่วคราวมันก็เลยรู้สึก ส, สุขสบายใจขึ้นมาก็เลยคิดว่าวิธีแก้ปัญหาของความไม่สบายใจก็คือการไปทำตามที่เราอยากทำกันพอเวลาเราอยากได้อะไรพอเราได้มันดีใจไนะ่มแต่เราไม่รู้ว่ามันไม่หยุดตรงนั้นเลยมันมันหยุดเดียวเดียวเดี๋ยวความอยากใหม่ก็ กลับคืนขึ้นมาอีกมาเป็นเหมือนคลื่นในทะเลเนะี่ยเห็นไหมไปนั่งที่ชายทะเลเห็นคลื่นที่ซัดเข้ามาไนะนั่นแหละกระแสของความอยากของเราเป็นเหมือนคลื่นที่ซัดเข้าฝั่งเลยวิธีที่จะไม่ให้เข้าฝั่งก็ไปทำเขื่อนกั้นมันสิใช่ไหมถ้าันเดี๋ยวนี้เขามีคลื่นมันซัดใ่เขาก็ไปหาวิธีทำเขื่อนทำอะไรนะเพื่อกันไม่ให้คลื่นมันซัดเข้ามาที่ฝั่ง เพราเดี๋ยนี้ชายฝั่งมันถูกขึ้นสัดแล้วมันพังเนี่ยแถวระยองเขาเห็นไปเขี่ยเายามีทําให้ที่การกันขึ้นเข้ามาอเราก็ต้องใช้ที่การขึ้นคือตัวที่หยุดความอยากก็คือปัญญาปัญญาต้องเห็นว่าเนี่ยความไม่สบายใจของเราเกิดจากความอยากของเราเองพราะเราไม่รู้ ไม่รู้ความสุขของเราว่าอยู่ที่ความไม่อยากนี่คือและวิธีที่จะทำให้เราสุขก็คือต้องหยุดความอยากต้องไม่ทำตามความอยากและเครื่องมือที่เราจะใช้ก็คือการปฏิบัติสติสมาธิปัญญาปัญญาก็ต้องมองว่าสิ่งที่เราอยากเป็นทุกข์ของที่เราอยากได้มันก็ไม่เที่ยง ได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็หมดไปหรือจะดูที่ความอยากก็ได้ว่าความอยากนี้ก็ไม่เที่ยงมันดับไปแล้วเดี๋ยวมันก็โผล่ขึ้นมาอีกทำตามความอยากกี่ครั้งมันก็ไม่หมดสิทีเหมือนคนสูบบุหรี่นะพออยากบุหรี่ก็ต้องสูบพอสูบปั๊บความอยากสูบก็หยุดไปความสบายใจก็สบายกลับมาแต่เดี๋ยวมันโผล่ขึ้นมาอีกเหมือนคลื่น่ย งันเราต้องกันต้องหยุดมันไม่ให้คลื่นนี้เข้ามาในใจเราก็ต้องใช้สติใช้สมาธิปัญญามันถึงจะหยุดคลื่นอันนี้ได้คือวิธีที่พระ เ, เจ้าทรงคนพบมักมักก็คือเครื่องมือที่จะละตันหาความอยากที่จะทำให้ความทุกข์นี้หายไปแต่พวกเรามัน เรามันติดวิธีแก้แบบเดิมๆ ม, มาตั้งแต่เด็กนํำบันตั้งแต่ก่อนเรามาเกิดเรามาเกิดหลายครั้งแล้วเราก็เอาวิธีแก้ความทุกข์ความไม่สบายใจของเราวิธีเดิมๆ ม, มาแก้ก็คือการทำตามความอยากอยากได้ลาบยศสารเสริญก็หากันใช่ไหมทั้งโลกนี้หาอะไรกันอยู่เนี่ยหาหสี่ตัวนี้ไม่ใช่ลาบยศสรรเสริญสุข พราะถ้ามีสี่ตัวนี้แล้วสามารถทําตามตันหาความอยากได้พอทุกครั้งที่เกิดความอยากขึ้นมาก็ไอาใช้สีตัวนี้มามาหยุดไอ้ความอยากแต่มันหยุดได้เดี๋ยวเดียวแล้วเดี๋ยวไอ้ความอยากตัวที่สองมันก็โผล่มามันมันเข้าคิวรอกันอยู่เหมือนคลื่นที่รอจะซัดเข้าฝัง่งเราถึงทุกกันตลอดเวลาถึงแม้ว่าจะร่ํารวยขนาดไหนจะเป็นใหญ่เป็นโตขนาดไหนเอ จะมีอะไรมากมายขนาดไหนมีความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายแบบล้นฟ้ามันก็ยังทุกข์อยู่เพราะมันยังไม่พอมีเท่านี้ก็อยากจะได้เท่านั้นมีรูปเสียงแบบนี้ก็ต้องการให้มันพิศดานกว่านี้เห็นไหมคนยิ่งมันคอนเสิร์รูปเสียงกินรถไปดูเนี่ยมันจะพิศดานมากขึ้นไปเรื่อยๆเห็นไหมใครเดิมใคล้เดิมอ่ะ วายขวดละพันถ้ามีเงินมากวันต้องขวดละแสนฮะอย่างเงี้ยมันพิสดานเรื่องของคนพอมันขึ้นไปเรื่อยแต่ผลมันก็เหมือนกันก็สุกตอนที่ได้เสพพอมันผ่านไปแล้วก็หมดไปแล้วความอยากเสพใหม่ก็โผล่ขึ้นมาใหม่คืนนี้ดื่มวายเดี๋ยวคืนพรุ่งนี้ก็ต้องดื่มอีกแล้วคืนถัดไปก็ต้องดื่มไปเรื่อยแล้วถ้าเกิดมี มีมีเหตุการณ์มากระทบทำให้ราบยุสารเสอนี่มันหมดไปหรือมันขาดไปก็ทุกข์แล้วก็นำไปสู่การกระทำบาปไปเลยเพราะมันยังหยุดไม่ได้เหมือนคนติดยาเสพติดพอไม่มีเงินซื้อยาเสพติดทำไงไปขโมยไปปนไปจี้นี่ก็เหมือนกันพอเคยเคยเสพราบยุสารเสพเคยเสพรูปเสียงกลิ่นลดแบบพิดา พอไม่ได้เสร็จทําไงพอเงินไม่ไพอทําไงก็หาวิธีหาเงินมาโปะกันคนหนึงอยากจะมีตําแหน่งมีราบมีมียศกันเพราะมันเป็นวิธีที่จะหาหาเงินมาโปะมาตอบสนองตัานหาความอยากได้ยังต้องปฏิบัติแล้วมันจะเข้าไปเห็นตัวนี้ตัวตัวตัวสงบกับตัว ไม่สงบที่มีอยู่ในใจเราแล้วเวลาไม่สงบเราก็จะรู้ว่ามันเกิดจากอะไรก็คือให้นั่งให้นั่งสมาธิ ถ, าถ้าถึงขั้นอัปปนาไดา้ก็ะจะดีนนที่ท่านสอนอคือไปไปรีเซ็ตจิตเราไงจิตเราตอนนี้มันมันมันอยู่ในสภาพที่ไม่สงบตลอดเวลาเราเลยไม่เห็นสภาพ ความสุขที่แท้จริงของจิตว่าเป็นอย่างไรมันอยู่ตรงศูนย์อยู่ตรงศูนย์เนี่ยอยู่ตรงที่มันสงบมันไม่มีมันไม่มีความคิดปรุงแต่งใดๆทั้งสิน้นเวลาไม่คิดปรุงแต่งความอยากที่ต้องใช้ความคิดเป็นเครื่องมือก็ทำงานไม่ได้ตอนนั้นจิตก็จะมีความสุขแล้วพอจิตเริ่มปรุงแต่งถ้ามันปรุงแต่งไปทางความอยากมันจะ ร้อนขึ้นมาทันทีแต่ถ้ามันคิดเป็นในทางมรรคมันจะไม่ร้อนคิดไปในทางอนิจจังทุกขังอนัตตามันจะไม่ร้อนเพราะว่ามันไม่เกิดความอยากนั่นเองการที่เราคิดเป็นในทางอนิจจังทุกขังอนัตตาเพื่อจะได้ไม่เกิดความอยากแต่ถ้าเราคิดไปทางนิจจังสุขขังอัตตาเมื่อไหร่มันจะอยากขึ้นมาเมื่อนั้นโอ้ยนั่นน่ากินนะอนนั้นน่าดื่มนะเดื่มแล้วสุกนากินแล้วสุกนะ มันก็ต้องอย่ากเลใช่ไหมหรือเราไม่คิดเองคนอื่นมาคิดให้เราก็มีใช่ไหมเปิด ท, ทีวีดูหนังสือพิมพ์โอ้มีคนสอนให้เราคิดอย่างนี้นี่อร่อยนะอันนี้ดีนะออดูโฆษณาไนอะนะ้ตัวโฆษณานะตัวย่อตัวตั ว, ต ว, ต ว, ตวย่อกิเลสเอยตัวย่อยให้ตันหาความอยากเกิดขึ้นไ อ, อ, อ้ตัวคิดอย่างนี้ก็เป็นดำรีไม่ชอบ เป็นสัมมาสังกปะวิจาระเป็นไเป็น้สัมมาสังกปะอก็ดำเนิไม่ชอบอดําหนก็คือความคิดไงสังขารสังขารความคิดปรุงแต่งส่วนความเห็นก็คือสัญญาไงบอกว่าสองตัวนี้คือสัญญาสังขารสัมมาอันนี้ก็เป็นตัวปัญญาสองตัวอะตัวคู่กันทําให้เป็นเป็นปัญญาหรือเป็นเป็นกิเลสก็ได้แล้วจะก็ได้อ่า ถ้ามองผิดมองว่าเป็นนิจจังมิจฉาทิฏฐิมิจฉาสังกปรมันก็เป็นกิเลสซึ่งส่วนใหญ่ของพวกเราก็มิจฉาทิฏฐิมิจฉาสังกปรเพราะไปเห็นว่าลาบยศเสริญสุขนี่เป็นสุขเป็นนิจจังเป็นของที่ถาวรได้มาแล้วจะอยู่กับเราเป็นที่พึ่งของเราไปได้ตลอดเวลาไม่เคยคิดว่ามันไม่เที่ยงตําแหน่งใหญ่โตขนาดไหนก็ต้องไม่เที่ยง รับสมบัติข้าวของเงินทองมากมาเท่ า, า, า, าไหร่ก็ไม่เที่ยงเพราะอะไรเพราะที่ตั้งของพวกนี้คืออะไรก็คือร่างกายใช่ไหถ้าพอร่างกายนี้ตายไปของพวกนี้ก็ต้องหมดไปใจอาศัยร่างกายนี้เป็นตัวไปหาของเหล่านี้มาพอร่างกายหมดสภาพก็ไม่สามารถที่จะใช้หรือทำอะไรกับสิ่งที่เราหามาได้ อังนั้นทุกอย่างในโลกนี้มันไม่เที่ยงเที่ยงเพราะเครื่องมือคือร่างกายของเรานี่มามันก็ไม่เครื่องมือก็ไม่เที่ยงของที่หามาก็ไม่เที่ยงไม่เที่ยงหมดเสปเปสังขารานิจจาคำว่าสังขารก็คือสิ่งต่างๆที่เกิดจากการที่เกิดจากการผสมปรุงแต่งของธาตุทั้งสี่ธาตุทั้งหกก็ได้พูดง่ายๆธาตุทั้งหกนี้เป็นของเที่ยงราตท้งนี้วัสด จะไปทำมาอนัตตาที่ใครพูดอะทำมีสองทำ ม, มีส อ, สองอย่า ง, งทำที่เป็นสังขารกับทำที่ไม่เป็นสังขารทำที่เป็นสังขารก็คือสิ่งที่มารวมตัวกันยึดเจรจาเกิด จ, จากการผสมปรุงแต่งของธาตุสี่ธาตุทั้งหตัวแต่ส่วนตัวธาตุทั้งหนี้มันไม่ได้เป็นตัวมันไม่ได้ผสมกับใครธาตุเดิมนี่มันไม่ผสมกับใคร ธาตุดินมันก็อยู่ของมันก็เป็นดินเสมอธาตุน้ำก็เป็นน้ำเสมอธาตุลมก็เป็นลมเสมอธาตุไฟก็เป็นไฟเสมออากาศธาตุก็เป็นอากาศธาตุเสมอพวกนี้ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงไม่มีวันเกิดไม่มีวันดับธาตุรู้ก็คือใจก็เหมือนกันหกธาตุนี่แหละที่เป็นสัพเพธรรมานั ต, ตาเป็นธรรมชาติ แล้วก็ไม่ไม่ได้เป็นอนิจจังด้วยอันนี้อมันมันไม่ตายมันไม่หมดเนี่ยแต่ว่ามันไปประสมรวมกันให้เป็นร่างกายของมนุษย์ร่างกายของสัตว์เป็นต้นไม้ใบหญ้าอะไรขึ้นมาไอ้พวกนี้มันมันต้องตายเพราะมันต้องแยกออกจากกันธาตุที่สี่มารวมกันมาประสมให้เป็นร่างกายเป็นต้นไม้เป็นสัตว์อะไรเนี่ยเหลยวมันต้องแยกออกจากกัน พรแยกจากการร่างกายนี้ก็ตายไปแต่เมื่อกลับไปสู่ที่เดิมธาตุเดิมธาตุน้าก็กลับไปสู่ที่นะ่ะไปสู่ธาตุน้าธาตุลมธาตุไฟธาตุดินก็กลับไปสู่ที่เดิมของเขาธาตุเดิมของเขาไอ อ, อ, อ, อนาที่าอาจารย์อ่อนเมื่อกี้เนี่ยมันก็คือที่เขาพูดว่าเป็นปรมัจารย์กับสมุญญนอะลย อ่าคือเป็ น, นความความจริงที่ไม่มีไม่ไม่ต้องมีใครมามามาสมมุติเนี่ยอันที่ท่านพูดเมื่อกี้อ่าปรมัตต์อ่อ ส, สมมุติก็คือเราตั้งกันขึ้นมาสมมุติเนี่ยพอได้ร่างกายเราก็เรียกว่าร่างกายของมนุษย์ร่างกายของสัตว์เลียงาฉาญก็ตั้งชื่อกันไปเป็นปลาเป็นแมวเป็นหมาเป็นหมูเป็นอะไรเอ่มันก็ธาตุสี่เป็นรูปการรวมของธาตุหกธาตุทั้งหก้ามีวิญ ญ, ญาณธาตุรู้มารวมได้ก็เป็นธาตุห ธาตุธาตุหกก็คือดินน้ำลมไฟแล้วก็อากาศธาตุเนี่ยอากาศเนี่ยอวกาศเนี่ยความว่างเนี่ยพื้นที่ถ้าพูดเป็นภาษาอังกฤษก็เรียก space อ่าแล้วธาตุมันต้องมีที่ตั้งใช่ไหมถ้าไม่มีที่ตั้งมันจะไปตั้งตรงไหนได้เนี่ยทั้งจักรวาลเลยดวงดาวดวงอาทิตย์ดวงอะไรทั้งหลายเนี่ยเอ่มันมามันเป็นธาตุธาตุทั้งหกทั้งทั้งหกเนี่ย ถ้ามันมีวิญญาณก็เป็นหกถ้าไม่มีวิญญาณก็เป็นห้ามีจิตแท้ก็เป็นธาตุรู้อะไรกันก็นั่นเลยก็พวกเราเนี่ยธาตุรู้ทั้งนั้นแต่ธาตุตอนนี้มันหลงมันอวิชชาไงอวิชชาครอบงจริงต้องมาแก้ตัวนี้ให้เป็นธาตุรู้ตอนนี้มันไม่เป็นธาตุรู้มันเป็นเรามันไปคิดว่ามันเป็นเราต้องแก้ตัวนี้ เวลาทำจิตให้สงบหยุดความคิดไอ้ตัวตัวเรานี่ก็หายไปก็เหลือแต่ตัวรู้เนี่ยธาตุรู้แล้วเราก็มายืนตรงจุดนั้นมาเป็นตัวตัวแท้จริงมาเป็นตัวรู้อย่าไปเป็นตัวคิดพอมันคิดเริ่มเป็นสมมุติเนี่ยที่ว่าเป็นเราเป็นเขาขึ้นมาสมมุติทั้งนั้นก็กแสดงว่าที่อาจารย์สอนให้นั่งสมาธิ ก็เพือให้มีตัวให้รู้ตัวรู้ ไ, ไม่ให้มีตัวหลงกลับไปเจอตัวเดิมถ้าถ้ารู้ท่าเดิมแต่มันก็ยังหลงอยู่ถ้าไม่มีใครบอกมันก็ยังไม่รู้ว่าตัวนี้เป็นอะไรเพื่อจะรู้ว่ามันสงบแล้วมันก็รู้เฉยเฉยพอมันออกจากสมาธิมามันก็มาคิดเหมือนเดิมเองเนี่ยเราได้ประโยชน์จากปัญญาของอุตตเถรเจ้าบอกว่าตัวรู้นั่นแหละเป็นตัวที่แท้จริงของเธอเป็นตัวที่เธอควรจะ ตั้งอยู่ตรงนั้นอย่าไปอยู่ที่ตัวคิดตัวคิดนี่มันคิดไปในทางที่ผิดทำให้เธอต้องทุกข์เวียนว่ายตายเกิดก็เพราะไอ้ตัวคิดนี่คิดผิดคิดว่าเป็นของเราเป็นตัวเราก็อยากจะรักษามันพอมันตายไปก็ไปหามาใหม่ร่างกายนี้เป็นตัวเราของเราพอร่างกายนี้ตายไปก็ต้องไปหาใหม่ เพรเราต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขให้กับตัวเราของเราอีกต้องมีตามีว้ดดูรูปพอได้เสบรูปก็เกิดทุกข์สุขว่าสุขเวทนาขึ้นมานก็เกิดสังขารอยากจะให้สุขเวทนานี้อยู่นานๆก็ต้องหามาหารูปมาอยู่เรื่อยๆเพราะรูปมันไม่เที่ยงมันมาเดี๋ยวมันไปดูหนังงอนจบก็ต้องไปดูเรื่องใหม่ดู ดูละครเนื่องใหม่ต่อดูตอนต่อไปอะไรก็ว่าไปเพื่อจะได้ทุกครั้งที่ดูมันก็เกิดสุขเวทนาขึ้นมานี่ถ้าเกิดร่างกายตายไปแต่ความอยากดูมันยังไม่หมดเนี่ยมันก็ต้องกลับมาเกิดใหม่กลับมามีร่างกายใหม่ก็คือพระพุทธเจ้าท่านสอนให้ทําลายให้มีตัวรู้เพื่อให้อยู่กับตัวรู้อย่างเดียวหลงนี่เออให้รู้เฉย ก็จะไม่ต้องไปปรุงเมราตัวปรุงมันตัวหลงก็หลงในในนามในนามมันลูกก็คือในขันนาอะไรก็าก็ให้ปรุงแต่ปรุงมันจะทางไม่หลงปรุงมันทางตายรักข่าบมาที่เดิมเนี่ยบุกไปว่าทุกอย่างที่เราไปหลงเนี่ยมันเป็นทุกข์มันเป็นอนิจจังมันมันไม่ได้เป็นตัวเราของเรา ว่าเราจะได้ไม่ไปยึดไปติดแล้วเราจะได้ปล่อยมันไม่มีไม่มีความอยากที่จะไปยุ่งกับมันจะไปครอบครองมันหรือจะไปจัดการกับมันปล่อยมันไปแล้วเราจะสบายที่เราวุ่นวายกันเพราะเราไปยุ่งกับเขาเองเยคนชอบมาถามด้วยปัญหาของพระสงฆ์องค์เจ้าวันนี้เป็นยังไงก็เร ข, ของเขาอย่าไปยุ่งกับเขาเลยใช่ไหม เราก็อยู่ของเรารู้เฉยๆถ้าสั่งแต่ว่ารู้มันก็จบแต่ไอมันถ้าเราพูดสักแต่ว่ารู้ไอสังขารมันก็ปรุงนี้ก็สแสดงว่าไม่แยแสไม่ไม่หงยายบ้านเมืองบ้านอะไรว่าไปนั่นเองแล้วมันทําอะไรได้หงแล้วมันทําอะไรได้ใช่ไหมแล้วพอปฏิบัติจริงๆแล้วมันจะไปต้องจุดนั้นอะต้องจุดรู้ให้รู้เฉยๆ ถ้ามันไม่รู้เฉยๆก็ให้ใช้ปัญญาดึงกลับมามมเพราะกิเลสมันยังไม่ยอมความอยากมันยังอยากประยุ่มกับเขาอยู่อย่างเช่นเวลาได้ยินเขาด่าเนี่ยรู้เฉยๆได้ไหมเ <laughs> วลาคนเขาเราจะมาเอาเอาไฟมาเผาบ้านเราเนี่ยยังรู้เฉยๆได้ไปะ <laughs> อ้าวถ้ามีปัญญาได้เนอะ <laughs> บ้านไม่ใช่ของเราสร้างบ้านมันก็ต้องพัง คนที่ยังทำอย่างนี้ได้ก็เป็นคนที่ไม่มีบ้านอยู่แบบอยู่แบบไม่มีบ้านได้ก็แบบภาพทวดงเนี่ยท่าเวลากุฏิไหมท่านก็อยู่เฉยๆได้ไหนก็ไมมไปเลยทำไงไม่ได้ถ้าหยุดมันไม่ได้ก็ต้องปล่อยมันไห่ไปไหมก็ไม่เป็นไรก็นอนตรงไหนก็นอนได้เนี่ยคนได้ยาสั่งแต่ว่ารู้ได้นี่ต้องปล่อยทุกอย่างก่อน ปล่อยลาบยศสรรเสริญปล่อยรูปเสียงกก่นนดปล่อยทุกอย่างก็คือต้องเข้าสมาเข้าไปในสมาธิได้เข้าไปในอัปปนาได้ถ้าเข้าไปในอัปปนาได้แล้วอยู่อยู่แบบไม่มีอะไรได้เข้าใจไหเข้าใจเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาพระท่านถึงถือถือเนคํามะถือความอดทน แต่พวกนี้เพื่อจะจกิตไม่ให้ไปเพึ่งอะไรให้ปล่อยทุกอย่างปลตอนนี้เราเพึ่งทุกอย่างเราพึ่งรูปเสียงกลิ่นรสกันหือถ้าปล่อยจิตก็จะเป็นอิสระมากปล่อยไม่ถ่าร่างกายปล่อยละปล่อยปล่อยที่พึ่งของร่างกายก็คือปัจจัยสี่อาหารเครื่อนนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยเอาแบบตามมีตามเกิดไปมีก็ อยู่ไปถ okay, ้าไม่มีก็ตายยังไงก็ตายอยู่ดีแต่คนที่มีสมาธิมีอัปปนาแล้วไม่ไม่เดือดร้อนเวนาไม่มีข้าวกินก็เข้าไปในอัปปนาก็ไม่หิวละจิตอิ่มอาหารของจิตจิตมีอาหารกินตลอดเวลาเข้าใจไหเอาหารของร่างกายมีก็ได้ไม่มีก็ได้จิตไม่เดือดร้อนเพราะร่างกายมันไม่ได้เป็นจิตเหมือน วัากินอิ่มแล้วคนไม่ได้กินแล้วไม่เดือดร้อนหรอใช่ไหมอภิญญาเนี้ยต้องเกิดจากเราพัฒน์พุทโธพุโทโธไม่ให้คิดอะไรม่ไมเกิดจากบุญเก่าอะไรไม่ใช่ก็บุญเก่าว่ามีท่าชาติก่อนเคยนั่งมาก่อนเนี้ยเคยทํามาก่อนนั่งได้แล้วพอมานั่งห้านาทีก็รวมได้คนบองคนนี่ก็พอเริ่มเริ่มปฏิบัติครั้งแรกนั่งห้านาทีจิตเขาก็รวม พระพุพเจ้าตอนเป็นเด็กๆเนี่ยอยู่คนเดียวไม่ได้นั่งเสียด้ซ้ําไปไม่ได้ตั้งใจจะนั่งเสียด้ซ้ําไปเพียงแต่ว่าไม่มีใครมาห้อมร้อน ม, มามาลบกวนใจใจมันก็เข้าไปเองใจมันเคยเข้าไปแล้วพอไม่มีอะไรดึงมันมันก็เข้าไป ท, ทันทีแต่เวลามีคนมาคนมันก็จะคอยดึงให้จิตคอยคิดคอยคุยกันคอยอะไรกันมันก็เข้าไปไม่ได้ แต่วันนั้นพวกบริวารเขาไปทำงานอย่างอื่นกันมีงานแลกนาขวัญอะไรเนี่ยไปปล่อยให้กุมารตอนนั้นเป็นเด็กมไม่ทราบกี่ขวบนั่งอยู่ใต้ต้นไม้คนเดียวแล้วท่านก็เล่าว่าจิตของท่านก็ว่างสงบขึ้นมาทันทีเนี่ยแสดงว่าท่านเคยบำเพ็ญมาแ ล, แล้วก็เป็นทาเวสสันดรนเนี่ยสมัยเป็นทาเวสสันดรนก็เคยบำเพ็ญมาแล้ว เนี่ยคนบางคนที่มาอยู่วัดได้มาปฏิบัตินด้ก็เพราะชาติก่อนเคยทํำมาแล้วเนะี่ยถ้าไม่เคยทำมันทำไม่ได้หรอกธรรมอาจารย์มันทำไม่ได้เพราะอาจารย์ไม่เคยทํามาก่อนไม่เคยถือศีลแปดมาก่อนพอได้ถือศีลแปดโยากชี่ผายแต่บางคนนี่เขาสบายอย่างสมเด็จพระสังฆราชบวชตั้งแต่องค์ก่อนเนี่ยบวชตั้งแต่เป็นเนเนี่ยหลวงปู่มั่นก็บวชตั้งแต่เป็นเน แต่ท่านต้องลาออกไปช่วยพ่อช่วยช่วยพ่อแม่อยู่พักหนึ่งพอได้อายุยี่สิบท่านก็กลับมาบวชใหม่บวชแล้วก็ไม่เห็นเสือ ก, กันนะแสดงพวกนี้เขาเป็นนักบวชเขามาก่อนในอดีตเขาเคยฝึกศีลสมาธิปัญญามาแล้วเขาก็มาทำต่อเหมือนเคยจบเคยเรียนมห้าก็มาเรียนมห้าต่อมาเนี่ยนะแต่คนที่ไม่เคยเรียนมห้าก็ต้องไม่เคยเข้าโรงเรียนเลยก็ต้องไปเริ่มที่อนุบาลนู่น ประเด็นตอนหนึ่งกไก่ขอไข่ก่อนไม่ได้อาภนามันไม่มีทางอื่นม ไ, มไม่มีทางท่านนึกว่าสมาธิเป็นเป็นฐานของปัญญ า, ญญาที่เราไม่ใชใ่เกิดปัญญาเป็นเป็นฐานที่เราจะใช้เอาใช้ปัญญามาฆ่ากิเลสพูดง่ายๆตอนนี้เรามีปัญญากันแล้วทุกคนแต่ไม่มีกำลังที่จะฆ่ากิเลส พราไม่มีอัปปนาสมาธิปัญญาเลยไม่เป็นภาวนามายปัญญาภาวนาก็คือสมะถะภาวนาอัปปนาสมาธิที่ได้ก็ได้จากภาวนามายปัญญานี่ยได้จากได้จากสมะถะภาวนาเนี่ยถ้ามีสมะถะภาวนามีอัปปนาสมาธิพอเอาปัญญาของมตรเจ้ามาใช้มันก็กลายเป็นภาวนามายปัญญาขึ้นมาฆ่ากิเลสได้ทันที ถึงบอกว่าต้องเข้าไปศีลแปดศีลแปดนี้จะช่วยทําให้เรามีเวลามาภาวนาเพราะว่าถ้าถือศีลแปดเดี๋ยววันนี้ใครก็เชิญไปงานแต่งงานบอเฮ้ยไปไม่ได้เว้ยถือศีลแปดมีข้ออ้างนะแต่ถ้าถือศีลห้าเขามาเชิญไปไม่ไปเดี๋ยวก็น่าเกลียดงานของเพื่อนฝูงทําไม่ไปเดี๋ยวเขาก็เขาก็ไม่พอใจเดี๋ยวก็เสียเพื่อนลกลัวเสียเพื่อนี่ก็ต้องไป ในใจก่เลนมันก็อยากจะไปด้วยมันก็เลยผสมลงกันง่ายขึ้นเขาเจ้าถึงบอกมาถือศีลแปดแล้วอย่างน้อยถึงแม้ใจก่เลนมันอยากจะไปแต่อย่างน้อยใจเราอยากจะมาทางธรรมเราก็จะได้มีข้ออ้างว่ามผมไปไม่ได้ครับวัาานนี้ผมถือศีลแปดอยู่มผมอยู่วัดอะไรอย่างเงี้ยก็บอกเขาไปเขาก็เข้าใจอ๋อเป็นบวชแล้วอ๋อบวดก็แล้วไป คือสินงแ่ลนี้ข่าวเครือผก็ไม่ต้องฝังตัดหมดเลรูปเสียงกิ่นรดอะไรบันทงบันเทิงอะไร่ก็ไปปรุงแต่งไปทางนั้นทางตายรักไปทางอะทางนิจจังสุขขังหน้าตาทหมดคือสารวม n อนซีตาหูจมูกดินกายเขาเรียกเอซีสังวนปิตวานทั้งห้า พระเจ้าบอกอถ้าอยากจะทำใจให้เป็นอัปปนานี้ต้องมีปัจจัยอยู่ 3-4 มสอย่างคือหนึ่งต้องสำรวมตาหูจมูกลิ้นกาย2ต้องรับประทานอาหารพอประมาณรับประทานมากมันจะง่วงจะขี้เกียจไม่มีแรงไม่มีนั่งไม่มีแรงนั่งสมาธิแล้วก็ไม่คลุกคลีกันถึงแม้ว่าไปอยู่ที่ปฏิบัติที่เดียวกันแต่ไม่คุกเคไม่มาจับกลุ่มคุยกันถ้ามา รวมตัวก็มารวมตัวทากิจกรรมเช่นฟังเทศฟังธรรมรับประทานอาหารช่วยกันทำความสะอาดแต่พอเสร็จแล้วแยกไปไม่ให้คุกคีกันพอพอคุกคีกันสังขารัก็ปุุงไปทางการบ้านการเมืองน่ะใช่ไหมแล้วก็ข้อที่สี่ก็ให้เจริญสติตลอดเวลาให้หยุดความคิดเนี่ยด้วยสติตลลตลอดเวลาให้บริกรรมพุทโธพุทโธตลอดเวลา หรือไม่ให้พุทธเถ้ก็ให้เฝ้าดูการเคลื่อนไหวการกระทําต่างๆของร่างกายตลอดเวลาถ้าทําอย่างนี้ได้เวลานั่งสมาธิติดจะเข้าอัปปนาได้พอจิตเข้าถึงอัปปนาปั๊บจิตมีความสุขแล้วทิ้งทุกอย่างได้ละทีนี้บวชจริงๆได้เลยตอนต้นเราก็บวบบวบเล่นๆบวบขณะเป็นโยมถือศีลแปดไปก่อน ปฏิบัติอยู่ปีนี่พอรู้ว่าโอ๊ยเราอยู่ได้สบายไม่ไปเที่ยวก็ได้ไม่ไปมีอะไรกับใครก็ได้ไม่ดูหนังฟังเพลงไม่ต้องมีอะไรเราขอให้มีเวลาเดินโงกมนั่งสมาธิอ่านหนังสือธรรมะนี่เราแฮปปี้ละก็เลยบวชได้บวชก็ต้องไปบวชหาวัดที่มันมีแต่การปฏิบัติถ้าไปบวชวัดที่เขามีงานบุญบางสังสวนก็ไม่ไป งานศพเนี่ยวัดที่มีศาลาสวดศพเอยวัดที่รับกิจนิมนต์ไปตามบ้านของญาติโยม ง, งานเกิดวันขึ้นบ้านใหม่วานอะไรต่างๆไม่เอางานแบบนี้ไม่ใช่เป็นไม่ได้เป็นงานของนักบวชแต่ไม่รู้มันมันมันเข้ามาในวงกายของนักบวชได้ไงก็ไม่รู้งานของนักบวชสมัยพุทธเจ้านี่มีแต่เนี่ยงานเดินจงกรมนั่งสมาธิเปรกวิเวกแต่สมัยนี้มันกลายเป็นงาน ไองานนี้กลายเป็นงานแปลกไปละใครไปเดินโยมกรมนักสมาธินี้ถือว่าเพียนนะใครที่ไม่รับกิจนิมนต์ไม่ไปทาไม่ไปสวดสมนี่ถือว่าเพียน่ะอย่างนี้คนมาบวชกันก็มีพวกที่เขาบวชประจำบวชบวชกะที่เขาบอนี่คืองานของเขามาปั๊บต้องหัดสวดให้เป็นละสวดสมให้เป็นสวดมวลให้เป็นเพราอจะได้ไปรับกิจนิมนต์ได้ ศาสนามันเลยรกงเลยมีแต่เปลือกอย่นะเนี่ยถ้าเป็นไขพ่พอพอเอาถอดเปลือกออกไม่มีอะไรข้างในเนื้อไม่มีไข่ขาวไม่ขไข่แดงไม่มีมีแต่เปลือกสมัยนี้พระรู้เรื่องการปฏิบัติน้อยมากครับาอาจารย์ญาติโยมรู้มากกว่านี่น้อยมากครับ น, น้อยมากก็นีดูนี่ี๋ยมีมีภาพมาฟังยังไม่มี พิธพายโอมพระเมีแต่ ม, ม่มัวแต่ไปรอไปสวดไปไปรับสังฆทานไปอไปสวดอะไรต่างๆกันมีงานสวดเต็มไปหมดเนี่ยเนี่ยพอได้สังฆราชมาก็เดี๋ยวมีงานไปสวดอนุโมทนาสังฆราชกันวุ่นไปอีกมูลิตาจิตกันวุ่นไปอีก <c oughs> พอตายก็ไปงานสวดศพกันอีกมีแต่งานมีแต่สวดสร้างโบสถ์ก็สวดสร้างเจดีย์ก็สวด ตั้งกุติก็สวดมีดแต่สวดทั้งนั้นาศาสนาสวดญาตโยมก็คิดว่านี่แหละคือเนื้อเนื้อหนังของาศาสนาพ อ, อ น, นี้ได้นิ ม, มนต์พระมาสวดที่บ้านโอ้รู้สึกเบื้อไปติบ้านเราปลอดภัยแล้ว <laughs> <laughs> <laughs> ใช่ไหมยิ่งได้น้ำมนหน่อยโอ้โห <laughs> เคยได้ยินพระพยามก็บอกว่าาน้ำมนต์วิเศษก็นิมนต์พระไปที่ปัาป่าไปนางสวยที่ป่าป่าเลยแล้วก็ส่องไปตามท่อเลยอาบน้ำอาบน้ำมนต์ทุกวัน พระสวดแล้วพอพระสวนตั้มเป็นน้ำมนตเป็นน้ำมิเสียษขึ้นมาท่านอาจารย์ถ้าเวลาเราทำบุญเราก็คิดว่าเราทำบุญเพื่อบำรุงพระศาสนาอืเราก็ไม่รู้ว่าพระที่องค์ในปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเมื่อเราตักบาึงแม้จะเป็นสมุทติสงเราก็ตักเพื่อที่ว่าจะบำรุงรู้รู้ทำไมไม่รู้เดี๋ยวนี้เรารู้กันแล้วถึงเป็นเรื่องวัดตา ก, กันไหม เดี๋ยวนี้ก็นิยมไปวัดที่มีพระปฏิบัติมีปฏิบัติชอบนะปัญญัอินเขาไปวัดปงวัดป่ากันใช่ไหมแต่ว่าเราทําทั่วไปวเราก็ล้วก็ก็ทําได้<ร> ก, ก, ดก็ก็เป็นเหมือนกับว่าเติมน้ํามันแต่ไม่หวังของของตอบแทนจากปั๊มเลยเอาแค่น้ํามันถ้าเราจะเอาแค่น้ํามันเราปล่อยนกปล่อยปลาก็ได้ทําบุญกับสภาาชาติก็ได้ทําบุญกับมาหาลัยก็ได้คือการเสียสละไง บรยจากเงินทองของเราไปนี้เราได้น้ำมันคือความสุขที่ได้เกิดจากการเสียสละเราเรียกว่าบุญอันนี้แต่สิ่งที่เราไม่ได้ก็คือของแถมหรือได้ก็อาจจะไม่เหมือนกันถ้าทาบุญกับมาฮะไรเราก็จะได้ความรู้ได้มีสถานที่ให้ให้ความรู้แต่ถ้าเราทำบุญกับศาสนาเราก็จะได้สถานที่ได้ความได้ธรรมะการบุญไม่เหมือน ผลตอบแทนของแจกไม่เหมือนกั น, แ, กนแต่บุญที่เกิดจากการเสียสละทรัพย์นี้เหมือนกันคือความสุขใจอิ่มใจที่เราได้เสียสละประโยชน์สุขของเราให้แก่ผู้อื่นไปแสดงว่าหัวใจของการํำทานก็คือสิ่งที่ได้คือการการละการเสียสละใช่ทำให้ใจเรามีความอิ่มแล้วจะทำให้เรามีเวลาไปปฏิบัติได้เพราะว่าเราจะได้ไม่หิวกับการใช้เงินไปเที่ยวไปหาความสุขต่าง ของแฉนก็ช่างเหมือนของแฉ น, แนถ้าเราต้องการเราก็ต้องเลือกอถ้าเราอยากได้ธรรมะนี่ก็ต้องมาที่นี่ที่นี่มีแต่มาฟังธรรมกันแต่ถ้าเพียงแต่อยากจะทําบุญใส่บาตรหรือเสียสละเงินทองสักก้อนหนึ่งไปเสียที่ไหนก็ได้ให้กับโรงพยาบาลให้กับโรงเรียนให้กับปอเต็กตึงอะไรก็ได้ทั้งนั้นไปซื้อนกซื้อปลามาปล่อยก็ได้ไปถ่ายโคกระบือก็ได้ แล้วเราจะมีความสุขใจที่เกิดจากการที่เราได้เสียสละประโยชน์สุขของเราให้แก่ผู้อื่น <c oughs> แล้วมันก็จะทำให้เรามีความอิ่มใจด้วยทำให้เราใช้เงินไปในทางที่ถูกคือแทนที่จะเอาเงินก้อนนี้ไปซื้อของฟุ่มเฟือยที่เราไม่จำเป็นยังต้องซื้อเช่นเห็นเสื้อผ้าอยากจะได้ใหม่สักชุดหนึ่งซื้อสูตรมาสักอีกชุดหนึ่งทั้งที่เรามีหลายหลายชุดอยู่แล้วถ้าซื้อแล้วเดี๋ยวมันติด เดีมันอยากจะซื้ออยู่เรื่อยๆแล้วมันก็จะทําให้เราต้องไปหาเงินมาซื้ออยู่เรื่อยๆแต่ถ้าเราเอาเงินนี่มาบริจาคมาทําบุญนี่มันทําให้เราหยุดความอยากซื้อของที่ไม่จําเป็นได้ประทาให้เราไม่ต้องหาเงินมากก็ได้ถ้าเราไม่มีเงินทําบุญก็ไม่ต้องทํเทานั้นเองไม่ไม่เสียหายที่ไหนไม่ทําบุญไม่เสียหายถ้าเราไม่มีเงินจะทําเราจะได้มีเวลามารักษาศีลมาปฏิบัติธรรมแทน นี่คือประโยชน์ของการทำทานเนเป็นบันไดขั้นแรกที่จะพาให้เราไปสู่การปฏิบัติทำต่อไปทำทานแล้วจะทำให้เราไม่ต้องไปเสียเวลาหาเงินมามาใช้ซื้อของตามความอยากต่างๆคือหยุดการการการใช้เงินไปตามความอยากต่างๆได้ทุกครั้งที่อยากจะใช้เงินไปตามความอยากก็ไปทำบุญเอาไปทำบุญเสียต่อไปความอยากจะใช้เงินไปตามความอยากมันก็หายไป แล้วเราก็จะไม่ต้องหาเงินมากเราก็จะได้มีเวลามีเวลาที่เราจะได้ไปอยู่วาดไปถือศีลแปดไปสารวมเอ็นซีไปเจริญสติไปไปทำใจให้สงบพอใจเราเข้าถึงความสงบแล้วเราก็เจอความสุขที่แท้จริงแล้วทีนี้เรารู้แล้วนี่คือตัวที่เราต้องการเราจะรักษาตัวนี้แล้วเรารู้จักวิธีสร้างมันขึ้นมาแล้ว ก็คือวิธีสละทุกอย่างความสุขแบบเดิมไปให้หมดแต่เพียงแต่ว่าความอยากที่จะกลับไปหามันยังมีอยู่เพราะว่าเวลาทําสมาธิด้วยสติมันเพียงแต่กดความอยากไว้พอออกจากสมาธิมาความอยากมันก็ยังจะโผล่ขึ้นมามันก็ยังอยากจะกลับไปหาลาบยศสัละเสริญหาอะไรอยู่หาความสุขแบบเดิมอยู่เราก็ต้องใช้ปัญญามาสอนใจว่ากำลังไปหาความทุกข์นะ เพราะของพวกนี้มันไม่เที่ยงนะมันมีวันัมนมีมันมีวันหมดหรือร่างกายมันจะต้องตายตอร่างกายตายไปก็ไม่สามารถหาความสุขแบบนี้ได้สู้อย่าไปดีกว่าสู้ไนอยู่กับความสงบดีกว่าทุกครั้งที่เกิดความอยากก็ใช้ปัญญาสอนอย่างนี้แล้วต่อไปมันก็จะตัดความอยากต่างๆที่ไม่ได้ที่ยังมีอยู่ในใจให้หายให้ใหายไปหมดได้ ทุกครั้งที่มีความอยากโผล่ขึ้นมาก็ใช้ปัญญาสอนมันว่าทุกอย่างเป็นตายรักเป็นทุกข์นะตายรักก็คือทุกข์อันนี้จังทุกขังอนาตาทุกเพราะว่ามันไม่เที่ยงทุกเพราะว่ามันไม่ได้เป็นของเราอย่างแท้จริงของที่เป็นของเราอย่างแท้จริงก็คือเนี่ยความสงบเนี่ยเป็นนิจจังสุขทั้งหน้า ต, ตาเนี่ยมีอยู่แล้วตรงนี้เราได้ของดีอยู่แล้วเราจะไปเอาของไม่ดีทาไมอันนี้เราต้องอาศัยปัญญาของพระเจ้า ทำอย่างน้นคนที่ได้สมาธิเขาจะไม่รู้ความจริงอันนี้พระพุทธเจ้าตอนต้นก็ไม่รู้ตอนที่ท่านไปศึกษากับครูบาอาจารย์ท่านได้ฌานเหมือนกันแต่พอท่านออกมาทีไรตัณหาความอยากก็โผล่ขึ้นมาทันทีพอโผล่ใจก็ทุกข์ขึ้นมาทันทีโดยเฉพาะเวลาท่านมีตัณหาความอยากกับร่างกายของท่านเพราะท่านไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายแต่ไม่รู้จะทําไง พอเห็นร่างกายทีไรก็ทุกข์กับมันทุกทีพอคิดถึงความแก่ความเจ็บความตามันก็ทุกข์ขึ้นมาแล้วก็ไม่รู้จักวิธีทำไงให้ื ม, ไ ม, ไม่ไม่ทุกข์แต่หลังก็ต้องค้นคว้าด้วยตนเองเพราะไม่มีใครรู้ในที่สุดก็มาเจอว่าเพราะความอยากนี่อยากใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขต่างๆแต่แต่ถ้าเรารู้ว่าการหาแบบนี้มันการไปการหาความทุกข์ สู้อยู่กับความสงบไม่ได้เราก็หยุดความอยากได้พอหยุดความอยากท่านก็อยู่กับความสงบไปเพียงอย่างเดียว <c oughs> ท่านก็เลยตัดสตรู้ขึ้นมาเพราะท่านรู้แล้วว่าออความทุกข์ใจของท่านเกิดจากความอยากของท่านเองอยากในสิ่งที่มันเป็นตายรักเป็นทุกข์ได้มาแล้วก็ทุกข์ได้อะไรมาแล้วก็ทุกข์ ท่านก็เห็นภายนอกเห็นลาบยศสรรเสริญเป็นทุกข์แต่ท่านยังไม่เห็นร่างกายของท่านก็เป็นทุกข์เหมือนกันเป็นอนิจจังทุกขังหน้าตาเหมือนกันพอตัดความอยากทั้งหลายหมดได้จิตก็จะไม่มีความทุกข์อีกต่อไปทุกในอริยาาสัจสีหายไปหมดทุกตัวนี้เป็นตัวร้ายแรงกว่าทุกขวเวทนาของทางร่างกาย ความเจ็บปวดของทางร่างกายนี้มันเมื่อเปรียบเทียบ ก, กับความเจ็บปวดของใจนี้มันเหมือนฟ้ากับดินนยะพอดับความเจ็บปวดทางใจได้ความเจ็บปวดทางร่างกายนี้ใจอยู่กับมันได้อย่างสบายนี่คือการปฏิบัติปฏิบัติเพื่อให้ใจนี้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง จะหลุดได้ก็ต้องอาศัยการทำทานการรักษาศีลการภาวนาเนี่ยฉะนั้นใครยังไม่เคยทำทานก็เริ่มทำได้แนละ้วเคยชอบเอาเงินไปซื้อของฟุ่มเฟือยของไม่จําเป็นต่างๆก็หยุดซื้อได้แนละ้วถ้าของจําเป็นซื้อได้อาหารที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มแต่พอมันมีพอแล้วก็พอถ้าซื้อมากกว่านั้นก็ถือว่า พุ่มเฟย์ล้อย่างที่นายหลวงคยตัดไว้ว่าเศรษฐกิจพอเพียงพอเพียงก็คือเนี่ยให้มันพอพอดำลงชีพได้ก็พอแล้วความสุขที่ได้จากปัจจัยสี่มันได้แค่นี้ต่อให้คุณซื้อปัจจัยสี่พิสดารขนาดไหนมันก็ทําหน้าที่เหมือนกันบ้านเดือนละสิบล้านกับบ้านเดือนละล้านมันก็ทําหน้าที่ได้เท่ากันอาหารมื้อละหมื่นกับอาหารมื้อละร้อยมันก็อิ่มเหมือนกัน เสื้อผ้าชุดละห้าร้อยกับชุดละห้าหมืนมันก็เสื้อผ้าเหมือนกันมันก็แค่ปกปิดร่างกายนั่นเองอยารักษาโรคสามสิบบาททุกโรคหรือไปเสียสามแสนที่โรงพยาบาลเอกชนมันก็รักษาเหมือนกันมันก็ตายเหมือนกันที่โรงพยาบาลเอกชนมีคนไม่ตายไนหะมต้องก็ตายเหมือ น, นตายแพงนงิดนึง ถ้าไปลงโรงพยาบาลนัดก็ตายถูกตายแค่สามสิบบาทนะพยายามมาทําทานกันแต่ถ้าไม่มีทําก็ไม่ต้องทําอแต่อย่าไปหาเงินมาเพื่อมาทําทานอันนี้ก็ผิดอีกเหมือนาบางสํานักสอนให้ทําบุญเยอะๆ <c oughs> คนบางคนเลยบ้าบุญกันใหญ่เลย <c oughs> ต้องไปหาเงินมาทําบุญหีืไม่ดีไปทําบาปเพื่อจะได้เอาเงินมาทําบุญ จะได้หาเงินมาเยอะๆอันนี้ก็ไม่ถูกถ้าไม่มีเงินทําบุญแต่ยังอยากทําบุญก็เอาร่างกายเรานี่แหละเอาเวลาที่เรามีอยู่นี่ไปอุทิศให้กับองค์กรสาธารณะต่างๆก็ได้เป็นอาสาสมัครทํางานไปอยู่วัดไปช่วยอะไรก็ได้หรือถ้ามีความรู้อย่างอาจารย์นี่ก็ติวเด็กก็ได้ให้ฟรีวิทยาทานไปทานมีสามอย่างวัตถุทานก็คือข้าวของเงินทอ ง, งตา่างๆ วิทยาทานหรือถ้ามีธรรมะก็ให้ธรรมะไปก็เป็นธรรมทานไปแต่ถ้าไม่มีก็ไปไปปฏิบัติกันถ้าไม่มีเงินทองจะทำบุญแล้วก็ไปปฏิบัติกันถ้ายังถ้ายังไม่อยากไปปฏิบัติอยากจะทำทานก็อุทิศเนี่ยไปอย่างคุณต่อชอบช่วยเหลือชอบทำอะไรต่างๆให้กับคนนั้นคนนี้เนี่ยมาติดตั้งระบบการถ่ายทอ่อสดให้อะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นวิทยาทานด้วย ก็ได้แต่ถ้าอยากจะไปไกลกว่านี้ก็ไปรักษาศีลกันไปหัดไปสำรวมอินทรีย์ไปถือศีลแปดกันแล้วไปหัดนั่งสมาธิเจริญสติกันเดินจงกรมนนั่งสมาธิฟังเทศฟังธรรมเพื่อให้รู้ว่าปัญญาคืออะไรอย่างมาฟังธรรมวันนี้ได้ปัญญาไปเยอ ะ, อะแยะเราจะได้รู้ว่าเอาไปใช้อย่างไรมือได้เยอะมากมันคุยไปด้วยมันจะเจาะลึกเข้าไปเรื่อยๆมันต้องอยู่ที่คนฟังด้วย ถ้าเราไปพูดแล้วคนฟังก็ฟังไม่รู้เรื่องจึงต้องหบอกบางทีต้องอยากให้ถามไงอยากจะถามอะไรถามมามันจะได้รู้ว่าจิตของคุณตอนนี้นอยู่ในในระดับไหนจะได้พูดในในระดับนั้นได้อย่าง อ, อย่างพอดีอกับผู้ฟังแต่บางทีคนเยอะๆ ก, ก็บางทีก็ต้องพูดแบบไล่ไปเลยตั้งแต่ปหนึ่งขึ้นไปถึงมหกถึงปริญญาเลยแต่ก็ไล่แบบเป็นแบบ คร่าวๆทั่วไปไม่เจาะลึกให้รู้ว่าในแต่ระดับนี้ต้องทำอะไรบ้างแล้วพอคุณถึงระดับนั้นแล้วคุณติดมีปัญหาอะไรก็ค่อยมาพูดคุยกันอีกทีนึงเพราะธรรมะแต่ละขั้นมันก็มีความละเอียดมีข้อมูลต่างเยอะแยะการทำทานนี้ก็วันนี้ก็มีได้ยินได้ฟังหลา ย, ลายรูปแบบนะรักษาศีลก็มีศีลหลายหลา ย, หลายชนิดนะศีลห้าศีลแปดศีลสองร้อยยี่บเจ็ ส้นสินี่ก็เป็นศี่ทั้งนั้นภาวนาวก็มีทั้งอัปปนาทั้งคณิกะทั้งอุปจาร ะ, ะวิปัสสนาก็มีตายรักมีมีธาตุรู้ธาตุดินธาตุน้ําลมไฟนี่ก็เป็นปัญญาทั้งนั้นที่เราต้องเข้าใจมีทั้งสมมุติมีทั้งปมรมัตถะรำใช่ไหมสมมุติธรรมปมรมัตถะธรรมอันนี้ อรอโมนี้มันเมื่อศึกษาเข้าไปมันจะไปถึงเองครับเหมือนกับตอนที่เราเรียนหนังสือเราก็เรียนจากของง่ายขึ้นไปสู่ของยากแล้วเดี๋ยวเราก็เจาะลึกเข้าไปเรื่อยๆ <c oughs> พอไปถึงระดับปริญญาเอกมันก็ไปถึงสุดยอดของของของความรู้ที่มนุษย์เราค้นคว้ากันมาฉ <c oughs> นั้นขอให้เราขยันเรียนกันขยันปฏิบัติกัน เราเป็นเหมือนนักศึกษากันให้เราตอนนี้อยู่ในขั้นเรียนก็เรียนกันไปขั้นศึกษาฟังเทศฟังธรรมก็ฟังไปเมื่อฟังแล้วขั้นต่อไปเราจะต้องหาเวลามาปฏิบัตินะอย่างสมัยที่เราเริ่มต้นเราก็อ่านหนังสือทำอ่านอยู่ได้สองสามเดือนแล้วก็ถามให้ยังไม่ได้ปฏิบัติสักทีว่า้องเอาสัหน่อยแนะวันนี้เอามันเลยนั่งสมาธิไปเลยนั่งขัดสมาธิไปเลยได้สิบห้านาทียี่สิบนาทีก็นั่งมันไปพอนั่งแล้วเดี๋ยวมันจะ ทำให้มันต้องต้องนั่งต่อไปคือนั่งแล้วเราต้องมีวินัยแล้วถ้าเราปฏิบัตินี่เราจะต้องมีวินัยในตัวเราเราต้องจัดตารางเวลาของการปฏิบัติถ้าเราไม่จัดตารางมันจะโลเลมันจะทะเลทลัยมันจะไม่ยอมเข้าห้องเรียนเห็นไหมมหาลัยที่มีเวลาเรียนกับมหาลัยที่ไม่มีเวลาเรียนนี่ต่างกันใชเน่เราต้องมีวินัยเราต้องจัดตารางเรียนขึ้นมา ถ้ายังมีเวลามากน้อยเท่าไหร่ก็จัดให้กับการปฏิบัติไปแล้วถ้าไม่พอก็หาเวลาเพิ่มขึ้นด้วยการตัดเอาเวลาที่ไปทําอย่างอื่นไปเอาเวลาที่ไปทําอย่างอื่นมาทําการปฏิบัติไปอย่างเราพอเร า, เ ร, าเริ่มปฏิบัติแล้ว เ, เริ่มต้องการเวลามากขึ้นแล้วก็ลาลาออกจากงานเราออกจากงานจะได้มีเวลาปฏิบัติได้ตลอดเวลาแต่ไม่มีไรายได้แต่ยอมอดเอาดีกว่า เราต้องการเวลามากกว่าต้องการเงินทองเพราะว่าเงินทองนี้ไม่มีคุณค่าเท่ากับเวลาที่เรามาใช้กับการปฏิบัติเพราะถ้าได้ปฏิบัติแล้วมันได้ของที่มีคุณค่ายิ่งกว่าของทั้งปวงในโลกนี้รถแห่งธรรมชนะรถทั้งปวงแต่ไม่ต้องสัมผัสกับรถแห่งธรรมขึ้นมาก่อนมันถึงจะมีกําลังใจที่จะเสียสละของที่ที่มีค่าในโลกนี้ไปได้แต่ถ้ามันยังไม่ได้สัมผัสกับรถแห่งธรรมนี้มัน มันไม่มีกำลังใจมันไม่รู้ว่ามันเสียสละเพื่ออะไรแต่ถ้ามันได้สัมผัสกับความสงบเพียงครั้งเดียวแม้แต่เป็นช่วงแค่นกกระจอกกินน้ำเนี่ยมันรู้แล้วว่าอ๋อมีของดีอยู่ในตัวเรานี่ดีกว่าของทั้งปวงที่มีอยู่ในโลกนี้มันก็ยินดีที่จะสละของทั้งปวงในโลกนี้ไปเพื่อที่จะได้เอาเวลามาปฏิบัติมาสร้างไอ้ความสงบของที่มีค่านี้ให้เกิดขึ้นมาเอ๊น ถ้าเรายังไม่ได้เห็นหนังตัวอย่างเราก็ยังจะไม่มีความอยากจะดูหนังเรื่องนี้ใช่ไหมเขาถึงมีหนังตัวอย่างล่อให้เราดูเนาะพอเห็นหนังตัวอย่างแล้วเฮ้ยดีเว้ยถ้าทางมันน่าสนุกจองตั๋วกันเลยเราพยายามไปหาหนังตัวอย่างมาดูให้ได้หาเวลาไปปฏิบัติยังไม่ต้องบวชเอาเวลาที่เราว่างจากการทำงานแทนที่จะไปเที่ยวไปพักผ่อนหย่อนใจเหมือนสมัยก่อน เรามาหาหนังตัวอย่างดูกันดีกว่าตัวอย่างของพระนิพพานความสงบที่ได้จากการนั่งสมาธินี่ก็เป็นตัวอย่างของพระนิพพานเอาแล้ว น, นะที่ว่าจะให้พรกันแล้วเดี๋ยวจะคุยจะถามกันก็อีกช่วงหนึ่ง <s> ยะท้าวาเลยวหาเปราปา็กตเปเรติสาคารัง เอวาเมวะอิโตทินังเปตาหนังอุปการปติอิชิตังปัทิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปเรนตุสังกปาจันโทปนาระโสยธาเมณิโชติระโสยธาสัพพีตโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินัสตุ มาเตผวตวันตระยูสุกิทีคายุโกภวะอาพิวาธนสีนิสานิจังวุฒาปจายโนจตารูธรรมวัฏฐานติอายุวันูสุขังภาลังอันนี้เข้ามาเท่าไหร่ทางเฟซบุ๊ o เนี่ อแปดสิบ YouTube ห้าสิบกว่าห้าสิบ YouTube ริ่มมากขึ้นห้าสิบแล้วถ้าตัญญานดีเขาเหลือทองนี่โรเมียา็ไม่มาปาชาลันก็ไม่ได้มาไม่มาครับอาจจะมาแต่ไม่ได้แสดงตัวเมื่อสองวันก่อนมีคนจากแคลิฟอร์เนียโอนเงินมาให้พันเหรียญมามาบริจาก ศรัทธาไม่รู้ไม่รู้เป็นใครเลยว่าเขาส่งอ e ีเมลมาบอกลูกศิษย์ว่าเขาโอนเงินเข้าบัญชีให้เนหะ็ <c oughs> นมอยู่ไกลขนาดไหนเขาบางทีเขาก็มีศรัทธาที่เขอยากจะทำบุญเขาก็หาวิธีทำนะไม่ต้องมาก็ได้สมัยนี้กดกดเงินโอนเข้าบัญชีได้เลยช่วงนี้ก็เริ่มใจอ่อนกบว่าอาจารย์มีคนถามเยอะ ด, ด้าน ออนเงินมาถวายว่าฌานวนธีแต่ก่อนไม่เคยรับเลยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ก็ใจอ่อนบ้างแล้วเอามาดีก็ไม่อยากจะทำให้มันเป็นกิจลักษณะเหมอนกับการหาเงินน่ะกลัวมันเดี๋ยวมันจะออกไปในรูปแบบนั่งพอดีไม่ทราบคนนี้ก็ไปขวนขวายหาวิธีเจอยังไงไม่รู้เข้าไปเข้าเกงเพราะเาไม่ได้มาบอกมาถามเรา ันนี้ก็ไปติดต่อก็ลูกสร็จพอนีลูกเสร็จกนนี้เขาเคยเงิน โ, น, โนโอนเงินมาให้เขาก็เลยให้เบอร์ไปหมายเลขไปมีอยากจะถามอะไรไหมอาจารย์มไม่มีนะัแล้วก็สงบมีความสุขอ่ารว่ามันเป็นความรู้ชั่วค่าวเดี๋ยวมันก็ลืมถ้าเราไม่เอามาพิจารณาต่อเนี่ยตอนนี้เป็นสูตรตามเมะปัญญาขั้นต่อไปก็ต้องเป็นจินตา เอาเอาความรู้ที่เราได้ยินได้ฟังนี้ไปทบทวนอยู่เรื่อยๆมันจะได้ไม่หลงไม่ลืมอกินตามมยปัญญาแล้วก็มีหน้าที่คอยทบทวนความรู้ที่เราได้เรียนรู้ไว้แล้วขั้นต่อไปพ อ, อ, อพอเราไปภาวนาเราได้ความสงบเราก็จะสามารถใช้ความรู้ที่เราได้สะสมนี้เวลาเกิดเกิดกิเลสขึ้นมาเราก็สามารถหยุดมันได้แต่ถ้าเราไม่ไม่มีความรู้เหล่านี้พอเกิดกิเลสเราก็ไม่รู้วิธีที่ จะหยุดมันยังไงมันจําเป็นทั้งสามปัญญานี้สามขั้นตอนขั้นตอนแรกก็เรียนก่อนเรียนรู้ว่าปัญญามีอะไรบ้างแล้วก็ไปทบทวนไปพิจารณาอยู่เนืองๆ เ, เพื่อไม่ให้หลงให้ลืมเช่นตายลักนี่ไม่ให้ลืมเห็นอะไรก็ต้องพิจารณาเป็นตายลักไปหมดแล้วพอเรามีมีสมาธิปั๊บนี่พอเกิดความอยากปั๊บเราตัดได้เลย ตัดได้ยังถาวรเลยถ้าตัดไปปั๊มแล้วมันจะไม่กลับมาแต่ถ้าใช้สติกดมันไว้เดี๋ยวมันกลับมาได้บัญญัติก็ต้องมีอัปปนาสมาธิ <c oughs> เป็นที่สนับสนุนเ <c oughs> พราะมันจะเห็นว่านี่คือความทุกข์เมื่อไม่มีใครต้องการความทุกข์และนี่คือต้นเหตุของความทุกข์ <c oughs> ก็ต้องทําลายตัวนี้ไม่ใช่ไป ไปทำทำอย่างนู้นเพื่อจะทําให้เกิดความทุกข์หายไปแต่หายไปแบบชั่วคราวได้หายแบบเท้าวัต้องเอาตัวนี้ตัวที่มันกําลังสร้างความทุกข์ให้กับใจเราคือความอยากของเราไม่ใช่ไป ท, ทําที่ของที่เราอยากได้อพออยากได้แล้วไปซื้อมาอพอไปซื้อมาความอยากได้หายไปชั่วคราเวเดี๋ยวความอยากอยากได้อย่ายีกเ่ยก็โผล่ขึ้นมาใหม่ แต่ถ้าเราเอาตัวนี้ตัวเดียวอยากได้อะไรก็หยุดมันทุกครั้งไปเดี๋ยวมันก็หมดมัน ม, มันไม่มีช่องจะออกมาแล้วอยากกุหรี่ก็หยุดอยากเล่าก็หยุดอยากเที่ยวก็หยุดอยากอะไรหยุดไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็มันไม่กลับมาะ เ, เอาคําถามทางบ้านมั้งนะคำถามจากคุณศิริพารักษาสิ่งแปดก็ได้แต่ข้อห้ามฆ่าสัตว์รักษาไม่ได้ เจอมดยุงแมลงสาบต้องตีให้ตายทุกทีทำไงดีเจ้าคะจะอยู่สั้นไหมคะก็คิดว่าเขาก็เป็นเหมือนเราเน่ะเขาก็รักตัวกลัวตายเหมือนกันเพียงแต่ว่าเนื่องจากเขาทำบาปมาก่อนในอดีตทังทงจึงทำาให้เขาได้มาเป็นมัตวเป็นแมลงแต่ใจของเขาเหมือนของเราเปี้ยทุกอย่างเขาลักร่างกายของเขาเราลักร่างกายของเราอย่างไรเขาก็ลักร่างกายของเขาอย่างนั้น เราต้องควรจะเมตตาเขาอย่าไปทำร้ายชีวิตเขาเพราะเราก็ไม่อยากให้ใครมาทำร้ายชีวิตของเราก็หาวิธีอยู่กันอย่างสันติคือถ้าให้เขาอยู่ที่บ้านเราไม่ได้ก็ย้ายเข้าไปอยู่ที่อื่นหรือทำที่กั้นแม่เข้าขึ้นมาในบ้านเราได้เอาถึงมีมุ้งรวดกันมีอะไรกันไงมีมุง้งมีอะไรเพื่อมันจะได้ไม่มารบกวนเราถ้ามันมาก็ไล่มันไป ใจเย็นๆหน่อยอยากจะแผ่เมตตากันไม่ใช่เลยชอบแผ่ตอนนั่งนั่งสวดสัพเพสัตตาแผ่กันเก่งล้วเกินพอเจอมดเจอแมาลางนี่แผ่ไม่ออกนะคำถามจากคุณพูดทวนการเข้าพาวังกับหลักอาการต่างกันอย่างไรคะไม่รู้ไม่รู้สึกตัวไหถ้าเข้าพาวังสมาธิจะรู้สึกตัวตลอดเลยเหมือนกับเานั่งคุยกันตอนนี้ เรารู้ว่าอ๋อจิตของเราเมื่อกี้ฟุ้งซ่านเดี๋ยวนี้มันหยุดมันเฉยๆแล้วแต่ถ้าหลับเราก็จะไม่รู้อะไรคําถามจากคุณรัทธดาความทุกข์ที่เกิดจากการพัดภาดจากคนที่รักเนื่องจากความตายมีวิธีคิดอย่างไรให้ดีขึ้นในเร็ ว, วันคะก็คิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาพราะเจ้าบอกให้สอนให้เราคิดอยู่เรื่อยๆว่าเราเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดภาดจากการเป็นธรรมดาลงพ้น จากการแก่การเจ็บการตายการพัดภาคจากกันไม่ได้นี่เราไม่ได้เตรียมตัวคิดมาก่อนไงเราเลยคิดว่าเราจะอยู่ด้วยกันไปตลอดพอเวลาเกิดการพัดภาาเกิดขึ้นเราเลยทํำใจไม่ได้เสียหลักแต่ถ้าเราฝึกสอนใจเราไว้เรื่อยๆว่าจะต้องมีการพัดภาคจากกันเป็นธรรมดาพอเกิดการพัดภาคจากกันมันก็จะไม่เสียหลักมันก็จะทำใจได้จะทาได้มากน้อยก็อยู่ที่กาลังของสมาธิของเราด้วย ถ้าเราฝึกสมาธิได้มากเท่าไหร่มันก็ยิ่งจะทําใจได้ง่ายขึ้นคําถามจากคุณรัชนนท์ถ้าเราถ่ายชีวิตปลาในตลาดสดที่เขาเลี้ยงมาเพื่อเป็นอาหารเราจะได้บุญหรือเปล่าครับและจะเป็นการตัดกรรมผู้อื่นหรือเปล่าครับได้ถ้าใครก็มาถ่ายชีวิตเรานี้เขาจะได้บุญหรือล่าใช่ไหมแล้วเขาจะไปตัดกรรมของใครมันไม่ตัดหรอกกรรมมันก็ยังมีของมันอยู่นั่นแหละ คำถามจากคุณพูทวนทุกคนที่เกิดมาจะมีเทวดารักษาทุกคนไหมคะแล้วถ้าเราทําบุญท่านเหล่านั้นจะได้รับบุญอั ต, อตโนมัติหรือว่าเราต้องอุทิศให้ท่านคะเทวดาเขาจะมารักษาเราทำไมเราไปทํำอะไรให้เขาเรามีเงินเดือนให้เขาป่ะเทวดาก็คือพวกเราเนี่ยที่ทําบุญกันไม่ทําบาปกันเวลาตายเราก็ไปรับผลบุญเขาจะมาเราจะมาอาหักขาเราทําไมใช่ไหมเขาก็ไปตาม ตามบุญของเขาเขาก็ไปเที่ยวไปหาความสุขในโลกทิพย์กันที่เขามารักษาเพราะว่ า, าเราอาจจะเป็น เ, เราเคยมีบุญมีคุณกันนี่อาจจะมีได้เทวดาบางรูปบางทีเขาจําเราได้แล้วเขาก็จะมาคอยดูแลเราแต่คงไม่ได้มาอารักขาแบบ24ชั่วโมงอะไรอย่างนี้แต่นานๆเขาอาจจะส่งกระแสจิตก็มาดูเราทักทีว่าเรานี่เดือดร้อนหรือเปล่าขาดแคลนอะไรหรือเปล่า เราก็รู้ว่าเขาขาดแคลนเดี๋ยวเขาก็จะหาวิธีทำให้เราได้สิ่งที่เราขาดแคลนได้อันนี้ก็มีเขาเรียกว่าเทพบรรดาลบางทีเราต้องการแท้งน้ำเนี่ยเทพมันก็ไปเข้าฝันให้ญาติโยมคนหนึ่งมาถวายแท้งน้ำเ <c oughs> <c oughs> อาจริงๆเนี่ยตอนที่เราขึ้นมาอยู่เบนเขาใหม่ๆนี่น้าแท้งน้ำไม่พอใช้แต่ละกตินี่เขาทาไว้แท้งเดียว แต่น้ำมันเจ็บได้น้อยนแต่พระต้องจ่ายสายน้ำผลเนี่ยเราเราเราอยากจะสร้างแท่งน้ําทักสามสี่ใบต่อต่อหลังเนียอยู่ๆก็มีคนนํามาถวอยกันเต็มไปหมดเลยน่าจะเป็นเรื่องจริงนะครับจริงเทวเทวดาเทวดาก็าฟังความคิดเราได้ไงพอเราคิดแล้วก็เห็นว่ามันเหตุเป็นผลไม่ได้เป็นกิเลสเขาก็ยินดีที่จะสนับสนุนแต่ถ้าอยากได้ของนี่เป็นกิเลสไม่มาสักที ใช่ไ ม, มชไม่มาแต่ถ้าเป็นธรรมมันจะมาคำถามจะทาง YouTube นะครับจากคุณภยัยศิษย์นะครับคำที่ว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวเข้าใจอย่างนี้คือหนึ่งจิตรองรับขันห้าสองขันห้ารองรับอายตนะภายในสามอายตนะภายในรองรับอายตนะ ภ, ภายนอกถูกต้องไหมครับ คือจิตเป็นคนสั่งอายัธนะภายในให้ไปหาอายัดนาภายนอกสั่งให้ร่างกายไปไปดูรูปไปฟังเสียงไปทำอะไรต่างๆร่างกายเป็นเครื่องมือใจเป็นคนขับรถร่างกายอันนี้เหมือนกับขับรถยนต์เพราะใจยังหิวยังไม่มีความสุขในตัวเองไม่มีความสงบเลยต้องหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรส ก็เลยต้องใช้ตาหูจมูกลิ้นกายเป็นเครื่องมือไปหารูปเสียงกลิ่นรสมาเสกกันใจเป็นนายสั่งให้ร่างกายทำทำอะไรต่างๆเช่นให้ไปเที่ยวเนี่ยไปกินเลี้ยงกันไปดูหนังฟังเพลงกันก็ใจเป็นคนสั่งร่างกายเป็นคนรับใช้ก็ไปทำตามเจ้านายสั่งเจ้านายสั่งว่าให้ไปดูหนังก็ไปไปละครดูละครก็กไปไปกินเลี้ยงก็ไปนี่เป็น คำถามจากโยมปัญนานั่งสมาธิอย่างเดียวโดยไม่สวดมนต์แบบนี้ผิดรูปแบบไหมคะอ๋อไม่ผิดหละการสวดมนต์เพื่อใช้จะได้ให้เรานั่งสมาธิได้สวดมนต์แล้วไม่นั่งสมาธิเนะี่ยผิดรูปแบบเป้าหมายที่แท้จริงก็คือการให้นั่งสมาธิแต่บางทีนั่งสมาธิไม่ได้ก็ให้สวดมนต์ไปก่อนเพราะการสวดมนต์นี้จะเป็นการกล่อมใจเพราะบางทีใจมันฟุ้งมากทํางานทําการมาเรื่องราวต่างๆมันยังค้างอยู่ในใจ ก็ใช้วิธีเคลียร์ลบลบเรื่องราวต่างๆด้วยการสวดมนต์ไปก่อนพอสวดมนต์ไปมันก็จะไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆไม่ได้เรื่องราวต่างๆมันก็จะคลายไปหายไปใจก็เบาสงบก็ทีนี้พอใจไม่มีเรื่องราวแล้วก็มาพุทโทพุทธโทเพื่อมาดูลมหายใจต่อได้คำถามจากคุณยุย้ยยางเกิดขึ้นจริงไหมคะแล้วจะรู้ได้อย่างไรคําว่ายานก็คือความรู้ไง ความรู้ก็เกิดขึ้นจากการปฏิบัตินะเปนเลานั่งสมาธิจิตสงบก็เกิดยานขึ้นมาเนะี่ยะรู้แล้วว่าจิตที่จิตตัวนี้เมื่อก่อนไม่สงบเดี๋ยวนี้สงบอ่าอ่าอันนี้ก็เป็นยานอย่างหนึ่งน ะ, ะแล้วก็รู้ว่าอ๋อเวลาจิตสงบนี่จะมีแต่ตัวรู้ตัวเดียวตัวคิดหายไป อ, อันนี้ก็เป็นยานแต่ยานระดับนี้ยังไม่มีคุณประโยชน์มากต้องได้ระดับวิปัสสนาญาณจะดีกว่าถ้าเห็น คนตายเนี้ยนี่ก็เป็นเห็นความไม่เที่ยงแล้วเราเรียกว่าวิปัสนาญาถ้าเห็นว่าต้องตายมันก็จะได้ปล่อยวางไม่ไปยึดติดกับของที่จะต้องตายเพราะถ้าไปยึดติดกับของที่ต้องตายแล้วมันจะทุกข์ท่านถึงสอนให้เราพิจารณาความตายอยู่เนือ ง, เ, องเพื่อเราจะได้ไม่หลงไม่เลวพอเวลาเราเจอเหตุการณ์แล้วเราก็รู้ว่าอ๋อนี่เป็นอนิจจังเป็นของ ธรรมดาความตายเป็นเรื่องธรรมดาเราก็จะไม่ทุกข์กับความตายอันนี้ก็เป็นญาณออย่างหนึง่งคือความรู้ต่างๆนี้คำว่าญาณก็คือความรู้นัน่นเองคา <c oughs> ถามจากคุณทองโยมปฏิบัติไม่กี่ครั้งแต่โยมมีความรู้สึกว่าทางนี้ที่ทำให้โยมได้มีความสุขโยมคิดว่าสะสมทีละเล็กน้อยและตั้งจิตอธิษฐานว่าถ้ามีบุญหรือชาติน้ามีจริงขอให้โยมได้อยู่ ป้าลมศาสนาจะเป็นไปได้ไหมคะได้เอาเอาชาตินี้เลยก็ได้ทําไมเรื่องบุญกุศลนี่เอาทีละเล็กเทียรน้อยเอเรื่องเงินทองนี่เอาทีเยอะเยะบุญกุศลนี่มันดีกว่าเงินทองเราต้องเอาบุญกุศลให้เยอะเยออย่าไปเอาทีละเล็กเทียรน้อยเอเรื่องนี้ชอบมักน้อยสันโดษกันไ <c oughs> อเนื่องเงินทองไม่ยามมักน้อยสันโดษ <c oughs> ได้เนี่ยชาตินี้จาะนิพพานก็ได้ ทำไมยังต้อไปรอชาติต่อไปทำไมชาติต่อไปอาจจะไม่มีใครมาสอนนะกลับมาเกิดแล้วอาจจะไม่มีพระพุทธศาสน า, า จ, จะไม่มีใครสอนให้เราทําบุญเราก็จะไม่ทํากันเราก็จะไปทําบาปกันแทนท่านนี้มีคนสอนมีาศาสนาคอยสอนเราอยู่รีบทําตามาศาสนาให้มากที่สุดดีกว่าเนี่ยถ้าอยากจะโลภให้ให้โลภ บ, บุญให้โลภ บ, บุญให้โลภแต่ไม่ใช่บุญเฉพาะการทําทานอย่างเดียวนะคือบุญให้ครบทั้งสามเลย ทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนาให้ทํามากๆให้อยากได้มากๆอยากได้ทําทานมากๆอยากได้ศีลมากๆอยากได้ภาวนามากๆเพราะมันจะทําให้เราได้นิพพานนั่นเองคําถามจะคุณฐานนิสันนะครับในขณะเจริญภาวนาด้วยการนั่งสมาธิพิจารณาลมหายใจกําหนดพุทโธบ้างกําหนดรู้กายตามสภาวะบ้างเห็นจิตที่วูบไปกําหนดรู้ในสภาวะนั้น แล้วกลับมาที่ลมหายใจต่อ <c oughs> รับรู้ลักษณะจิต ท, ที่รวมเป็นขณะขณะหนึ่งก่อนจิตวูบไปจะมีความคิดเข้ามาเป็นเรื่องราวจิตรับรู้ว่าจิตวูบไปแวบหนึ่ง <c oughs> ตัวรู้กำหนดรู้โดยทันทีอยากเรียนถามพระอาจารย์ว่าได้กำหนดถูกต้องหรือไม่ลูปฏิบัติถูกทางหรือไม่อย่างไรเจ้าคะไม่ถูกหรอกเพราะมันไปรู้หลายเรื่องหลายราว น, นกันควรจะรู้อยู่กับเรื่องเดียว ถ้านั่งก็ให้รู้กับลมหายใจเข้าออกอย่างเดียวส่วนอาการอย่างอื่นที่เกิดขึ้นมาอย่าไปสนใจให้รู้อยู่กับลมเพียงอย่างเดียวจิตจะได้เป็นหนึ่งจะได้รวมเป็นหนึ่งถ้าไปรู้เรื่องอื่นจิตมันก็จะไม่รวมมันก็จะไม่สงบถ้าไม่ได้นั่งก็ดูอาการเคลื่อนไหวของร่างกายไปดูอย่างเดียวดูร่างกายอย่างเดียวอย่างอื่นถ้ามาเกี่ยวข้องอย่าไปสนใจให้เฝ้าดูแต่ร่างกายไปเพียงอย่างเดียว ถ้านั่งก็ให้ดูลมอย่างเดียวแล้วต้องการทําใจให้เป็นหนึ่ง <c oughs> ไม่ต้องการให้ใจแตกไปเป็นไปหาเรื่องนั้นหาเรื่องนี้มันก็จะไม่มีวันสงบได้อันนี้ฟังแล้วรู้สึกก็รู้หลายเรื่องแล้วเกินเนี่ยรู้เรื่องนั้นแล้วกลับมารู้เรื่องนี้รู้เรื่องนี้แล้วกลับไปรู้เรื่องนั้นมันก็เลยไม่มีวันสงบะการทําสมาธินี้เราต้องการให้มันรวมมันต้องรู้อยู่เรื่อง<ม>เพียงเรื่องเดียวเท่านั้นเองคนถึงจะเป็นเอกขตารมได้เป็นหนึ่งได้ คำถามจากผู้ไม่ผสมออกนามนะครับเพื่อนเล่า ว, ว่าพระอาจารย์เขาสอนว่าในการละวางสิ่งใดให้กลับมาดูผู้วางแล้วละวางผู้วางไปเรื่อยๆท่านอธิบายว่าถึงละวางสิ่งใดก็ตามก็ยังติดผู้วางอยู่ต้องตอบให้ได้ก่อนว่าใครคือผู้วางวางอะไรวางทาไม ลูกไม่เข้าใจขอพระอาจารย์เมตตาด้วยค่ะเ อ, อไม่ต้องไปเข้าใจหรอก <c oughs> ยุ่งยากลําบากเอาง่ายๆดีกว่าเอาเอาของที่เรายึดเนี่ยวางมันไปก่อน่ะยังไม่ได้มาวางคนที่วางหรอกไว้ไว้ไวางของอื่นให้มันหมดก่อนแล้วค่อยมาวางคนที่วางเออมันเป็นคนละขั้นกันขั้นแรกนี่วางของที่เราไปยึดไปติดก่อนลูปเสียงกลิ่นรดลาบยศสารเสรือเนี่ยวางมันไปอย่าไปยุ่งกับมันให้มันเข้าไป สู่ความสงบสู่ความสุขแล้วทีนี้มันไปยึดแก่กอะไรต่อก็ปล่อยค่อยไปไปวางมันอีกครั้งหนึ่งถ้ามันไปยึดติดกับอัตตาตัวตนก็ไปปล่อยมันตอนนั้นอีกทีหนึ่งแต่ตอนนี้ปล่อยไม่ได้ต้องปล่อยของที่เราใช้อัตตาตัวตนไปยึดก่อนเมื่อเราปล่อยของที่เราใช้อัตตาตัวตนไปยึดได้แล้วเราค่อยมาปล่อยอัตตาตัวตนทีหลังอีกทีหนึ่งมันเป็นขั้นไงมันเหมือนกับจะกินเนื้อทุเรียนเนี่ยมันต้องปอกเปลือกก่อน ไม่ใช่จะเจาะเข้าไปกินเลยไม่ได้มันเป็นขั้นผลไม้ต้องปอกเปลือกก่อนถึงจะเข้าไปกินเนื้อได้ทามันถึงมันมีหลายขั้นไงขั้นต้นนี้ต้องปล่อยของที่เรายึดติดก่อนปล่อยให้หมดปล่อยของยากของง่ายก่อนของยากที่สุดของง่ายที่สุดก็คือของภายนอกเราเช่นลาบยศสารเสร่ญลูกเสียงกลิ่นรสขั้นต่อมาก็มาปล่อยร่างกายเรา เราก็ปล่อยความอยากในร่างกายของคนอื่นเสร็จแล้วถึงจะเข้าไปปล่อยตัวเราที่มียังลงเหลืออยู่ในใจที่หนึ่งตอนนี้เป็นตัวทังโยช์เบื้องบนเนี่ยที่มีมีเข้าเรียกตัวอะไรตัวอัตตาที่เรียกว่าตัวมานะมานะอยู่ในนี้มันลึกยังเข้าไปไม่ถึงมันอ่ะมันก็มันต้องมันต้องผ่านด่านอื่นก่อนเหมือนที่ไอตัวนี้เหมือนกับเป็นบกสูงสุดเนี่ย นี่ก่อนจะเข้าบกอสูงสุดนี่ก็มีกองพลกองพัน ล, ล้อมรอบไปหมดนี่ต้องทำลายพวกที่มันกั้นขังพวกนี้ไปก่อนทำลายกองพันก่อนแล้วเข้าไปทำลายกองพลมันถึงจะเข้าไปถึงตัวบกอสูงสุดได้ฉะนั้นไดเราจะเข้าไปหาตัวนี้ตัวมานะเนี่ยมันจะต้องผ่านต้องทำลายพวกราบยศสรรเสริญพวกรูปเสียงกลิ่นรสไปก่อนแล้วก็มาทมาทลายร่างกายตัวที่ไปยึดติด ก, กับร่างกาย แล้วถึงจะเข้าไปในตัวบกกอสูงสุดได้ทเคำถามจากคุณวราดาหนูเคยทำบุญซื้อที่ดินถวายวัดป่าแถวบ้านจังหวัดสกลนครหนึ่งไร่ด้วยจิตอันเป็นกุศลรู้สึกดีใจแต่พอกลับมาเยอรมันมีเพื่อนคนหนึ่งพูดกระทบนิดนึง แล้วใจหนูก็เควแบบนี้บุญที่หนูตั้งใจถวายที่ดินจะสูญไหมคะไม่สูญ ต, ตอนนี้หนูก็มีความสุขนะคะที่ได้ทําไม่ไม่สูญเน่ะก็ทําไปแล้วมันก็อยู่วแล้วที่เควก็มันเป็นเรื่องกิเลสของเราเองพอเราทําเข้าๆทาความเข้าใจให้ถูกต้องมันก็หายเควได้มันคนละเรื่องกันคําถามจากคุณจิต ป, ประพัดสอนนะครับการนั่งสมาธิแล้วเกิดความเจ็บปวดมากถ้าเราทนไปเรื่อยๆ มันจะหายไปเองไหมคะถ้าเราข้ามผ่านจุดนี้ไปได้จนถึงเช้าวันต่อไปถ้าเรานั่งสมาธิอีกเราจะไม่เจ็บปวดใช่ไหมเจ้าคะคือถ้านั่งทนเฉยๆมันนั่งไม่ได้หรอกมันมีวิธีนั่งที่ทำให้เราไม่เจ็บได้ก็คือเราต้องใช้สติหรือใช้ปัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งคั้งแรกนี้เราใช้ปัญญาไม่เป็นก็ใช้สติไปก่อนเพราะสติมันง่ายใหเราบริกรรมพุทโธพุทโธไปอย่าให้ใจเราไปคิดถึงความเจ็บ ถ้าเราอยู่กับพุโทโธไปเดี๋ยวจิตสงบแล้วความเจ็บมันก็จะไม่มาทรมานใจถึงแม้จะไม่หายมันก็จะไม่ไม่รุนแรงเพราะตัวที่รุนแรงไม่ใช่ตัวความเจ็บของร่างกายแต่ตัวความเจ็บของใจตัวความอยากให้ความเจ็บของร่างกายนี้หายไปพอเราใช้คำบริกรรมมันก็หยุดปรุงแต่งหยุดหยุดความอยากให้ความเจ็บหายไปมันก็เลยความเจ็บทางใจมันก็เลยหายไป มันก็เลยไม่ทรมานใจมันก็เลย น, นั่งอยู่กับความเจ็บปวดของร่างกายได้นี่คือวิธีแรกใช้สมาธิใช้สติถ้าเราใช้ปัญญาเราก็แยกแยะว่าเนี่ยความเจ็บเนี่ยมันเป็นอนัตตามันเป็นเหมือนฝนฟ้าอากาศเหมือนเสียงที่เราได้ยินเนี่ยเราไปห้ามมันไม่ได้เสียงคนชมเราเสียงคนด่าเรานี่มันมันก็มาตายตามภาษาของมัน ความเจ็บก็เหมือนกันมันก็มาตามภาษาของมันเราห้ามมันไม่ได้แต่ถ้าเราถ้าเราไม่ไปยุ่งกับมันเราจะอยู่กับมันได้เช่นถ้าเสียงคนดา่าเราเราทำใจเฉยๆไม่ไปยุ่งกับเขาไ ห, ห้เขาด่าไปเราก็จะไม่เดือดร้อนอะไรที่เราเดือดร้อนเพราะเราอยากให้เขาหยุดอยากให้เขาไม่ดา่าเราเราเลยเดือดร้อนอันใดเวทนาความเจ็บปวดทางร่างกายก็เหมือนกันเราอยากให้มันหายมันจึงทาให้เราทรมาน แต่ถ้าเราทําใจว่าห้ามมันไม่ได้มันมาก็ปล่อยมันมาเราอยู่เฉยๆไปเราก็จะอยู่กับมันได้เรื่อเราต้องยอมรับว่ามันเป็นอนัตตาเป็นอนิจจังไม่เที่ยงมีเกิดมีดับมีมามีไปเราไปสั่งมันไม่ได้ถ้าไปอยากให้มันดับมันก็ทำให้เราทุกข์ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็อยากไปอยากให้มันดับนี่คือการใช้ปัญญาแล้วถ้าใจ ทำใจเฉยได้อยู่กับความเจ็บได้ต่อไปก็จะไม่กลัวความเจ็บอีกต่อไปจะมาเจ็บกี่ครั้งกี่คราวมันก็จะรู้จักวิธีปฏิบัติกับความเจ็บอันนี้ก็คือทําใจให้เฉยเฉยไม่ไปให้มีความอยากให้มันไม่เจ็บไม่อยากมีความอยากให้มันหายเจ็บเนี่ต้องหยุดตัวนี้ไม่ใช่ไปหยุดตัวความเจ็บตัวความเจ็บหยุดไม่ได้แต่หยุดตัวความอยากให้มันเจ็บได้แล้วตัวที่ความอยากให้มันเจ็บเนี่ยมันสร้างความเจ็บที่รุนแรงกว่า ค, ความเจ็บทางใจขึ้นมาอันนี้ก็คือสองวิธีวิธีที่สองนี่มันยุ่งยากนะถ้าคนถ้าไม่รู้จักใช้ตกกะจะรักจะจะจ ะ, จะพิจารณาไม่ออกแล้วสองถ้าไม่มีสมาธิจะมองไม่เห็นจะมองไม่เห็นความทุกข์ที่เกิดจากความอยากให้ความเจ็บของทางร่างกายหายไปแต่ถ้ามีสมาธิจะเห็นชัดอ๋อเนี่เรากำลังทรมานใจเพราะเราไปอยากให้ความเจ็บของร่างกายมันหายไป เ, เราก็หยุดเฉยๆแล้วกันปล่อยให้มันเจ็บไป แล้วความทรมานใจมันจะหายไปแล้วความทรมานใจนี่แหละที่เป็นตัวที่ทําให้เราทนไม่ได้ไม่ใช่ตัวความเจ็บของทางร่างกายคนที่ผ่านทุกขเวทนาได้ด้วยปัญญานี่เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ต้องกินยาแก้ปวดเชื่อไหมมันไม่ปวดทางใจแล้วความความปวดทางร่างกายมันก็รับได้ใจมันไม่ไม่ไม่ไม่ไม่เดือดร้อนคนที่กินยาแก้ปวด ก, กันก็เพราะว่ามันรับกับความปวดทางใจไม่ได้ ก็เลยไปกินยาแก้ปวดเพื่อระ ง, งับความปวดทางร่างกายใจมันจะได้หายหายหายปวดไปด้วยแต่คนที่เขาไม่ปวดทางใจเขาก็ปล่อยให้ร่างกายเจ็บไปได้อย่างพระครูบาอาจารย์ท่านอยู่ในปา่าในเขาท่านไม่ค่อยไปโรงพยาบาลกันหรอกเนี่ยท่านเรียกว่าใช้ธรรมโอสถเนี่ยเนี่ยใช้สติใช้ปัญญาเนี่ยเป็นธรรมโอสถที่จะสามารถให้อยู่กับความเจ็บไข้ได้ปวดของร่างกายได้ ท่านรักษารักษาใจเพียงอย่างเดียวร่างกายก็รักษาไปตามอัตภาพอยู่ในป่าในเขาเขาก็อาศัยยาสมุนไพรยาชาวบ้านชาวบ้านรักษากันไปหายก็หายไม่หายก็ตายท่านไม่ได้แยแสกับความเป็นความตายของร่างกายแต่ท่านแยแสกับความทรมานของใจท่านแก้ตัวนี้ท่านรักษาใจได้อย่างเดียวพอร่างกายรักษาไม่ได้รักษาได้ก็เป็นครั้งเป็นคราว แต่ในที่สุดก็ต้องตายอยู่ดีคาถามจากคุณแสงทับทิมถ้าเราไม่ตักบาตรเลยแต่ทำบุญด้วยการทำบุญด้วยเงินเราตายไปจะมีบุญไหคมครับมีแต่ถ้าไม่ตักบาตรแล้วเดี๋ยวพระอดตายเยวจะไม่มีพระมาสามาสอนกันนะแต่ถ้ามีคนหนึ่งก็ตักแล้วก็ไม่เป็นไรต้องคอยสังเกตใช้ปัญญาดู ถ้ามันตักบาตรถ้าทั้งล้นหลาไม่มีเกินไม่หมดสิบปีก็กินไม่หม ด, ก, ด, หมดก็ไม่ต้องตักบาดรก็ได้เอาเงินไปทําอย่างอื่นแต่ถ้าไม่มีใครใส่บาตเลยก็ยังไม่ไม่ใส่บาตรนี่เดี๋ยวก็ไม่มีาพาบมาบ่วยกันจากคุณมณฑสวีนะครับลูกมีเจ้าหนี้ที่ต้องชดใช้จํานวนหนี้มากเหลือเกินแต่ลูกใช้เมตตาและอุเบกขา ว่าเป็นหนี้ก็ต้องใช้แต่ถ้าหนี้นี้ท่านจะนําดอกเบี้ยไปทําบุญสร้างกุศลลูกก็ขออนุมโมทนาบุญกับดอกเบี้ยที่ลูกจ่ายไปหนี้หลักล้านกับหนี้หลักสิบค่าของเงินคือความอยากเท่านี้เองไม่อยากไม่ทุกข์อย่างนี้คือลูกใช้ปัญญาเดินใช่ไหมครับก็ในระดับหนึ่งก็คือคือว่าเห็นที่เขาเอาเงินของเราไปทําบุญแล้วก็อนุมโมทนาเขาให้เข้าไป เราก็จะมีความสุขร่วมไปกับการทำบุญของเขาแต่เราไม่ได้บุญจากการเอาเงินไปทำบุญนะเพราะมันมันไม่ได้เป็นเงินของเราเป็นเงินของเขาเราได้บุญที่เกิดจากการอนุโมทนาคือไม่เสียใจว่าโอ้เสียดายเอาเงินของเราไปทาทำบุญคนบางคนไม่ชอบทำบุญเพะรู้ว่าเขาเอาเงินไปทำบุญเขาก็จะเสียดายขึ้นมาคำถามจากคุณชัญญาการไปถือศีลแปด เป็นการบวชแก้กรรมได้ไหมครับแก้ได้อย่างไรอ๋อกรรมนี่แก้ไม่ได้หรอกกรรมนี่ทํามาแล้วมันจะต้องส่งผลแต่มันเป็นวิธีสร้างการรับกรรมให้มันไม่ทุกข์มากเกินไปอย่างที่เคยเล่าให้ฟังเหมือนกับถ้าเราจะต้องตกมาจากที่สูงเนี่ยถ้าเราไปเตรียมหาเบาะมารองไว้ก่อนเนี่ยเวลาตกลงมามันตกมาลงนบนเบาะมันก็จะไม่มันก็ไม่กระแทกพื้นมันก็จะไม่เจ็บมากคนที่ทําบุญเยอะๆนี่ใจจะไม่ ไม่ไม่ถูกกระทบจากวิบากกรรมเช่นพระโมคคัลลานะนี่ท่านเป็นพระอรหันต์ท่านยอมตายท่านไม่ทุกข์กับความตายใครอยากจะมาฆ่าท่านเพราะท่านชาติก่อนเคยไปฆ่าใครเข้ามาเขาจะมาตาม่างฆ่าท่านก็ปล่อยเขาฆ่าโดยที่ใจของท่านนี้ไม่เกิดความทุกข์ทรมานใจเลยเพราะใจของท่านมีธรรมะมีบอกรองรับเหตุการณ์ใจจะเฉยเฉยเพราะใจของท่านเป็นปรมังสุขขังตลอดเวลาอยู่แล้ว <c oughs> คำถามจากคุณนันทนาโยมอายุ56ปีเป็นโสดโยมได้เห็นคนที่ไม่มีเงินเก็บเมื่อแก่ตัวลงหรืออาจมีโรคต่างๆมาเบียดเบียนช่วยเหลือตัวเองไม่ได้หรืออัมาพาตแล้วไม่มีเงินใช้ชีวิตลำบากจริงๆโยมเลยต้องพยายามเก็บเงินไว้ให้มากๆไม่ใช้ใจ่ายสุรุ่ยสุายโดยเฉพาะเรื่องสวยงามเสื้อผ้าหน้าผมจนโดนบางคนดูถูกว่ายากจน โยมจะทำใจอย่างไรเมื่อโดนดูถูกคะก็ยากจนยางดีกว่าไม่มีเงินเนี่ย <c oughs> มีเงินแต่เขาเรียกว่ า, ายากจนก็ไม่เป็นไรใช่ไมคำถามจากคุณป้อมลูกชายของลูกชอบทำงานบูลณิธิช่วยเหลือคนช่วยเหลือคนมีคนบอกว่าลูกลูกเป็นเศษบุญทำบุญด้วยการสร้างวิหาร พิหารทานเป็นบุญใหญ่ถูกต้องหรือไม่คะไม่ถูกหรอกบุญทุกชนิดก็เป็นบุญเหมือนกันทั้งมทให้จิตใจสงบใีความสุขได้เหมือนกันมันอยู่ที่เจริต<ม>อยู่ที่นิ ส, สัยของแต่ละคนที่ชอบทำบุญแบบไหนก็ทำไปได้คาถามจากคุณแอมลูกชายเก้าขวบเคยขอบวชสามเณรช่วงปิดเทอมครั้งแรกดิฉันจึงหาจังหวัด ที่ได้วัดพระรามเก้าช่วงวันที่สิบหกวันนี้ลูกชายได้รับอันนี้สมอย่างไรคะแต่ยากของเขากังวลบอกว่าเขายังเด็กเกินไปเขาก็จะได้ได้ไ ด, ไ ด, ได้ได้ศึกษาได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็เป็นการพัฒนาชีวิตจิตใจของเขาให้ดีขึ้นไปช่วยกำจัดความโลกโกรธหลงของเขาให้เบาบางลงไปได้จากการบวชเนี่ยคำถามจากคุณพากา ในร้านั่งสมาธิแล้วจะง่วงแก้อย่างไรคะหรือต้องปฏิบัติอย่างไรความง่วงนี่มันเกิดจากการรับประทานอาหารมากเกินไป mm hmm. ก็ต้องลดประมาณการรับประทานอาหารลงและ อ, อีกวิธีหนึ่งถ้านั่งแล้วง่วงก็ลุกต้องลุกขึ้นมาเดินบางทีก็ต้องเอาน้ามาลูบหน้าสมัยพุทธการท่านสอนว่าถ้าถ้าลุกขึ้นมาเดินแล้วมันยัง ง, ง่วงอยู่ก็ให้เดินถอยหลัง มันจะได้มีสติมากขึ้นแต่ถ้าทำแล้วแล้วมันยังง่วงอยู่ก็ไปนอนนะ <c oughs> แล้วตั้งสติไว้พอพอตื่นขึ้นมา ป, ปั๊บก็จะรีบลุกขึ้นมาปฏิบัติต่อแต่ถ้าจะกําจัดความง่วงอย่างถาวรนี่วิธีที่ดีที่สุดก็คือการลดอาหารหรือการไปอยู่ที่มันน่ากลัวถ้าอยู่ในป่าช้าอยู่ในที่มันน่ากลัวนี่มันจะไม่ง่วงที่วันก่อนมีผู้หญิงก็ามาเล่าให้ฟังเข้าไปปฏิบัตินั่ง นั่งในป่าชา้าไปดูศพที่เขาเปิดฟ้าลงนั่งอยู่สองต่อสองเลยให้ไปนั่งสองต่อสองกันไองี้รับรองได้ไม่ไม่ง่วงอะ But if you are not serious meditator, and it's n it probably doesn't have much effect. It's only for those who are full time practitioner that they should avoid, abstain from listening to music. Instead of listening to music, they should listen to Dhamma instead, because by listening to Dhamma will help in their practice, will not be a hindrance, will support the practice. If but if you listen to music while you are practicing, then it can become a hindrance. But if you're not a full-time practitioner, when you're not practicing, then whether you listen to music or not will not will not have much effect on on your practice. It's only when you practice that you have to abstain from listening to music. คำถามว่าการฟังการฟังเพลงแล้วนี่จะเป็นอุปสรรคเป็นนิวรณต่อการปฏิบัติหรือไม่เป็นแต่ถ้าเราไม่ได้เป็นนักปฏิบัติ ตลอดเวลามืออาชีพถ้าเวลาที่เราไม่ปฏิบัติเราฟังมันก็ไม่มีผลกระทบอะไรกับการปฏิบัติแต่ถ้าเวลาที่เราปฏิบัติเราก็ต้องไม่ฟังคําถามจากคุณเลสเพิ่งเริ่มทําหัดหัดทำสมาธิสมาธิแล้วรู้สึกวูบไปเป็นขณะสั้นๆโดยที่ไม่ได้ง่วงนอนถือว่าเป็นคณิกะสมาธิหรือไม่ครับ ก็ถ้าเรามีความสุขมีความอัอศจรรย์ใจก็เป็นถ้ายังไม่มีความสุขไม่มีความอัศจรรย์ใจมันก็ยังไม่เป็นมันต้องมีความสุขมีความอัศจรรย์ใจว่าโอ้โหไม่เคยเจออะไรอย่างนี้มาก่อนเลยเหมือนได้เหมือนกลับถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งนี่มันจะมีความรู้สึกตื่นเต้นตื่นใจอะไรเงี้ยเวลาได้สมาธิมันก็จะเป็นในลักษณะอย่างนั้น อาจารย์ครับตอนนี้มีลูกศิษย์หลายๆท่านห่วงเรื่องสุขภาพพระอาจารย์ครับพระอาจารย์ช่วยตอบหน่อยครับว่าตอนนี้สุขภาพเป็นไงครับยังถ่ายทอดสดได้ใช่นี้ก็เป็นกิเลสหรือเปล่าเพราะอยากจะให้เราอยู่นานๆไม่ได้มีความคามหวังดีกับเราแล้วอยากให้เราทำงานไปนานๆเลยห่วงสุขภาพ ไม่ต้องห่วงละ่ะถ้าถ้ายังมาก็แสดงว่ายังดีอยู่ถ้าไม่มาเมื่อไหร่ก็แสดงว่าไม่ดีแล้วก็แล้วมันก็ต้องมีสักวันที่มันจะต้องไม่ดีแต่ตั้งแต่ถ่ายตั้งแต่ทํานี่มานี่ยังไม่มีวันหยุดสักวันเลยนะสี่ปีแล้วใช่ไหมที่มาตั้งแต่ทํำธรรมบุญเขามาเนี่ยไม่มีวันไหนที่ที่ขาดเลยอั้นก็ไม่ต้องกังวลล่ะแต่ต้องเตรียมตัวเตรียมใจเอาไว้ทุกอย่างมีวันสิ้นสุดนะ กับหลวงตามเมื่อก่อนท่านก็แสดงธรรมโปรดญาติโยมอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวท่านก็ต้องจบไปพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงธรรมทุกวันวันละสามรอบเห็นไหมตอนบ่ายสอนญาติโยมตอนค่ำสอนภิกษุสา ม, มเณรตอนดึกสอนเทวดาตอนเช้าก่อนออกจะบิญฑบา่าก็ยังเรียนญาณดูว่าจะไปสอนใครเป็นในกรณีพิเศษท่านก็ทํากิจวัตรนี้ไปจนท่าถึงวันสุดท้ายของชีวิตแทนเป็นเรื่องธรรมดาคนเรามันเกิดมาแล้วก็ต้องมีตาย หรอมีเจ็บไายได้ป่วยเป็นธรรมดาสิ่งที่เราควรจะทําไม่ควรมากังวลกับคนแสดงคนกังวลกับตัวเราว่าเรารับความรู้นั้นไปปฏิบัติได้มากน้อยเพียงไรไม่ใช่จะเราฟังอย่างเดียวฟังอย่างเดียวแล้วก็ไม่ไปปฏิบัติเลยต่อให้เทศไปร้อยปีมันก็ยังเหมือนเดิมอยู่นั่นแหะมันก็ยังไปไม่ถึงไหนอยู่ดีงั้นควรจะที่จะทําก็คือฟังแล้วเอาไปปฏิบัติกันปฏิบัติแล้วมันจะได้บรรลุ ก, กัน บรรลุแล้วจะได้ไม่ต้องมากังวลกับคนฟังคนแสดงว่าจะจะอยู่ไปอีกนานหรือไม่นานเพราะเราได้ถึงเป้าหมายของเราแล้วแล้วเราก็จะได้มาทําหน้าที่แทนคนแสดงต่อไปได้นี่คือวิธีห่วงใยที่ถูกต้องขอให้ห่วงแบบนี้ขอให้ห่วงตัวว่าตัวเองว่าตอนนี้เราปฏิบัติไปถึงไหนแล้วเราควรจะปฏิบัติมากขึ้นไหม ถ้าปฏิบัติได้เราควรจะปฏิบัติมากขึ้นเราควรที่จะมาบรรลุปฏิบัติให้มันบรรลุกันเพราะว่าเมื่อเราบรรลุแล้วจะได้มาแบ่งเบาภาระให้กับครูบาอาจารย์ต่อไปหรือมารับหน้าที่ต่อไปให้คิดแบบนี้จะดีกว่าอย่ามาคิดกังวลเรื่องอาการเจ็บค้าได้ป่วยของครูบาอาจารย์เลยเพราะมันต้องเกิดขึ้นไม่ช้ก็เรลยสักวันหนึ่งมันก็ต้องเป็นแต่ตอนนี้ไม่ต้องกังวลก็รับธรรมะนี้เราดีเรามี สื่อที่บันทึกเก็บไว้ได้เยอะแยะเนี่ยถ้าไม่มีเราก็ยังมีสื่อบันทึกเหล่านี้เหมือนดีพุทธเจ้าพูดตรงเป๊ะเลยคําสอนของเราจะเป็นตัวแทนของเราหลังจากที่เราไม่อยู่แล้วคําสอนเดี๋ยวนี้มีจารึกไว้ยิ่งดีกว่าสมัยพระพุทธกาลสมัยพระพุทธกาลนี่ต้องอาศัยความจําของผู้อื่นของพระภิกษุที่มาบวชพระภิกษุที่มาบวชนี่ต้องท่องพระสูตรต่างๆของพระพุทธเจ้าเพื่อจะได้ถ่ายทอด เอาคําสอนพระเจ้าให้ถ่ายทอดไปอยู่ได้นานาก็ต้องมีการตรวจการจําแต่สมัยนี้เรามีสื่อบันทึกไว้ได้มีทั้งหนังสือมีทั้งซีดีมีทั้ทงเฟ o บุ๊กยูทูบเนี่ยแล้เรามีเยอะแยะไปหมด้นไม่ต้องกลัวถ้าเกิดเราไม่แสดงธรรมพวกนี้ก็พวกเราก็ยังฟังย้อนหลังกันได้ดูย้อนหลังกันได้แล้วมันก็เรื่องเดียวกันพูดซ้ําๆซากๆอยู่เนี้่มามันจะเอาพื่อไหนมาพูดใช่ไหม มันก็พูดเรื่องเก่านี่แหละเรื่องศีลสมาธิปัญญาเรื่องภาวนาเรื่องทําบุญทำทานเนี่ยมันก็ไม่ได้พูดเรื่องอะไรมากไปกว่านี้ดังนั้นความรู้ต่างๆที่พวกเราควรจะเรียนรู้นี่มันมีมันมีหมดล้ครบหลักสูตรแล้วมันไม่ขาดอะไรแล้วถึงแม้เราจะไม่ได้แสดงธรรมต่อไปมันก็ไม่มันก็ไม่ได้ทําให้มีการบกพร่องทางด้านการการสั่งการสอนะเพราะมีสื่อที่เราบันทึกเก็บเอาไว้